กระเลนพรานท่านสาธุชนพุทธบริษัตว์ผู้ไฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติทานศีลภาวนาใครที่มีความสนใจอยากจะถามก็เชิญเข้ามาได้เช่นเคยเราก็จะเปิดโอกาสใหเ้เด็กก่อน อันนี้นักคนมาเปล่ า, าอ่ น, นักคนมาเปล่ า, ากราบค่ะพระอาจารย์ใช้คัตเตอร์อยู่ใช้คัตเตอร์กราบพระอาจารย์ดีใช้คัตเตอร์ไหนบอกหนูหนูบอกจะบอกก็อะไรนะหนูทายังไม่กี่ดีอนหนูทำกี่เลือทำาลไอะไรทำลายกี่เดือนี่ทำลายกี่เลืให้หมดเลยนะ อย่าเก็บเอาไว้กิเลสก็คือดือ้ออย่าดื้อกับม่ะซนก็กิเลสดื้อก็กิเลสอย่าดือ้อย่าโซนอธิตฐ์นี้ไม่ค่อยดื้อเลยค่ะพระอาจารย์เราบอกเขาชาลายกิเลสนะ้ออาดีต้องอย่าดื้อนะต้องอย่าโซนกิเลสไม่ดีนะกิเลสเป็นของมไม่ดีหนุน่มายจะมาทีรึเปล่า เราอื ม, อมค่ะโอเคอ่ะออกไปเล่นดูไปออกไปค่ะพระอาจารย์กลับขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ที่เมตตาค่ะอมีดูดีถือคัตเตอร์อยู่เอ่มีอะไรไหมไม่มีค่ะวันวันนี้ค่ะโอเคถ้าไม่มีก็เอาตอนนี้ก่อนนะกลับขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์แปรงถือคัตเตอร์พระอาจารย์ถืถอนนะคัตเตอร์เออ ด, ดี ระวังบาดมือนะโอเคเอาเท่านี้ก่อนนะน้นรัสการค่ะพระอาจารย์อมัสไชหัวเอ่าจะไม่สกัดเจตีจะถามน้นำรัสการพระอาจารย์ครับอ่าเป็นยังไงมีอะไรว่ามาเลยวันนี้วันนี้ส่งกันว่าเอี่ยเอาว่ามา เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร้องทนความแก่เป็นไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร้องทนความเจ็บไข้เป็นไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร้องทนความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆหรือว่าเราจะต้องทับทากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของสองบนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพื่ง อ, อาศัยเรทาทํากรรมอันใดไว้เป็นบุนนหรือเป็นแบบเราจะเป็นทายาคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสิบไปเราทำลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวเถอกลัวความตายไหมร้องไม่ใคยกลัวพอเดิมนะครับกลัวความเจ็บไหมไม่กลัวอ่า ไม่น้องกลัวนะเพราะมันไม่ได้ทําอะไรเรามั น, เ ป, นเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องของ Invisible Man อืม Invisible Man เพียงแต่รับรู้เฉยๆรับรู้ว่าร่างกายเจ็บร่างกายตายแต่ <c> Invisible <ười> <c ười> ไม่ได้เป็นอะไร <C ười> ไม่ต้องกลัว <c ười> กลัวก็ทําอะไรไม่ได้ ห, <ช>ห้าห้าห้าไม่ได้ห้าร่างกายไม่ให้เจ็บไม่ได้ห้าร่างกายไม่ให้ตายไม่ได้ต้องฝึกสมาธิจะได้ทําใจได้รู้ไหมทําใจเฉยๆเมือนตอนนั่งสมาธิแล้วก็เฉยๆถ้าไม่เฉยก็ลองใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธรับท<ๆ>่องไว้นะครับ อนวิซเวนต้องเจ๋งต้องต้องไม่กลัวความตายไม่กลัวความเจ็บนะครับครับอืมอ่าแล้วร่างกายนี้มีอะไรบ้างมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกที่ในกระดูกน้ำหัวใจตับข้างพื้นไตปอดเส้ใหญ่ใส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าแยกสองสีสระน้ำน้ำดีน้ําสดดน้ำเลือดน้ําเลือดน้ําเนี่ย น้ำน้ำมันข้นน้ำตาน้ำเหลืองน้ำลายน้ำมูกน้ำแข็งข้นน้ำมูดน้ำมูดน้ำหยดข้นนมูดน้ำลายน้ำเีเหลือน้ำตาลน้ำข้นน้ำเหนื่อน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลดน้ำดีในสมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไตของผืนกับปอใจม้ามีเน้กระดูกรดูกเอ็นเนื้อหนัเล็บขปุม ต้องพยายามมองไม่เห็นนะเวลามองใครต้องมองเข้าไปข้างในเห็นอาการ32นะอ่าไม่ดีเรื่อยอาร่างการนี้ก็ไม่มีอะไรมีแค่าอาการ32รมีอะไรอีกไหมวันนี้ไม่มีค่ะค่ั่งสมาธิอยู่รึเปล่าออยังก็ยังนั่งอยู่คร่ะนั่งนานไหม ก็ได้นานเดี๋ยวครับได้ยี่สิบนาทีครับอืาเท่าเดิมนะ <c oughs> อ่าไม่ไม่เพิ่มเพิ่มนะของดีเป็นเกมยังอยากจะเล่นานานๆเลยไหครับ <c oughs> อ่นั่งสมาธิมันดีกว่าเล่นเกมกนะครับอ <c oughs> อ่าถ้านั่งาชอบนั่งสมาธิเหมือนชอบเล่นเกมได้ก็ดีนะม <c oughs> ั น, น <c oughs> เก่งนะครับ <c oughs> อ โอเคไม่มีก้าวท่านี้นะค่ะก้าวขอบพระคุณพระอาจารย์ ค, ครับอ่าอ่าในที่น้องตะวันที่ฮอลแลนด์ต่องตะวันราภมัสกามประอาจารย์ครับอมีอะไรจะถามไหมเอ่อวันนี้ไม่มีคําถามแค่รายกาครับงานงานเรื่องไรเอ่อการบางครับอ่าทำอะไรมาเอ่อ ผมก็ยิ่เห็นนาทีในเช้าแล้วในเ ย, นเเย็นค่อยมองก็รู้สึกสงบครับอืมแล้วก็เป็นยังไงสบายแนละ้วไม่สบายสบายแต่ก็มีลาคอนแล้วมั อ, อมีอะไรนะคอนครับมีคันนะ ทำตามร่างกายนะก็ไม่ต้องสนใจถ้าสงบแล้วมันจะไม่ลาคาญนะชถ้าลำคาญก็แสดงว่ายังไม่สงบถ้าไม่สงบไม่ยังลาคาญอยู่ามาทำพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆไม่ต้องไปเกาเหมอนะปล่อยให้มันคันไปเดี๋ยวมันก็หายทำได้ไหม ตรงได้ครับอ่าดังนะดังสมาธิวันลสองครั้งเลยเออสองครั้งครับดัง่ายี่สิบนาทีหรือสิบ น, นาทีเอยี่สิบนาทีก็เลยสี่สิบนาทีในหนึ่งันออสี่สิบนาทีแล้วสวนมนต์หลาไม่ได้สวดอืมสวดในอตอนเช้าแลวตอนเย็นครับก็เลยอ้วก็เป็นสิบสี่นาที สิีน า, าทีน่าสมาธิยี่สิบนาทีเป็นสามสิบสี่นาทีเจ็นาทีเอ่อชนาทีแต่แชมาชกับแเป็นสิบีเลยิกับก็เลยห้าสิบีครับแล้วเป็นยังไงส่วนวันนี้ดีไหมดีครับอืมพยายามเพิ่ไปเรื่อยๆน ะ, ะจะทำให้จาจเราเข้มแข็งจะทาให้ใจเราสงบ มีอะไรไหมไม่มีครับนนคนแม่มีอะไรไหมอ่พาพระสพระอาจารย์ไปสู่อพระอาจารย์ไปฉีดยาไวรัสอ่าเวลาไข้หวัดใหญ่มาไหมคะพระอาจารย์เพราะว่าเห็นว่าระบาดระบาด่ึ้นในไทยไม่ได้ฉีดอ่ไม่ใคยฉีดมาก่อนนะคิดว่าไม่เคยฉีด อ, อ่าไม่เคยฉีดม่อก่อนะ อ, อ๋อตอนนียังอาสายใช้ใส่หน้ากากอ ย, อยูอย่เม่องจะช่วยได้ต้อค่ะอืค่ะ เพราะว่าหลานโยมเพิ่งเข้าโรงพยาบาลไปก็เลยโยมก็เลยนึกถึงพระอาจารย์นะคะอืมเราไม่ค่อยได้เจอคนนันเจออาารย์เบนตาบารแล้วก็ใส่ใส่แม่ค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเมื่อเขาเพิ่งเป็นมาเมื่อไหร่เมื่อเมื่อกี่เดือนก่อนหน้าก็เป็นไข้หวัดใหญ่ครั้แล้วเป็นแล้วมันก็จะไม่เป็นเองมันก็รอปีหน้าค่ะแล้วโยมเมไรัยไหม ค่าค่าพระอาจารย์ก็คือต่อเ น, นื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะพระอาจารย์ก็คือเรื่องอสุภัสัญญาใช่ไหมคะตอนแรกโยมก็คือเอาไปใช้เฉพา ะ, อ ะ, อะตอนกับเพศตรงข้ามแบบนี้ค่ะแล้วก็แต่พระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์แนะนําเมตตายโยมบอกว่าให้เอาไปใช้ให้ขยายกว้างทั้งคนทั้งหญิงทั้งชายแล้วก็ทั้งสัตว์โยมก็เอาไปปฏิบัติตามทันทีค่ะพระอาจารย์แล้วก็ผลที่ได้คือเหมือนกับว่านิวร์มันก็จะ ไม่ค่อยเกิด น, นะคะพระอาจารย์เวลาที่โยงไปข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนะคะพระอาจารย์อืมก็ดีค่ะเพราะว่าตอนแรกโยงไปโฟกัสเฉพาะไอ้ตัวความรู้สึกพอใจเอ่อเวลาที่เห็นผู้ชายคนอื่นแต่ทีนี้โยมมาสังเกตอารมณ์ใจตัวเองว่าเวลาโยงไปจ่ายเงินพนัก ง, งานแคชเชียร์ใช่ไหมคะพระอาจารย์บางทีเอ๊ะเขาแต่งหน้าสวยจังเลยทําผมสวยจังเลยแบบเนี้ยมันก็เป็นตัว การราคานิวร์เกิดแล้วค่ะก็คือมันก็ดึงความสงบของใจโยมไปอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ถึงแม้ว่าจะอยู่กับลมหายใจกับพุดโธแต่มันไวมากเลยค่ะพระอาจารย์<น>ก็เลยเหมือนกับว่ากอออกจากบ้านนี่คือตรีบตัวไปแล้วค่ะพระอาจารย์นึกถึงปัสสาวะนะคะอือย่างพอจะช่วยได้มองทุกคนคให้เป็นปัสสาวะไปหมดได้ค่ะตอนแรกโยมเข้าใจผิดนึกว่าใช้เฉพาะตอนที่แบบเพศตรงข้ามเพียงเดียวค่ะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะ แต่ถ้ามันไปมีความยินดีไปชอบกับไม่ว่าร่างกายของใครก็ตามก็ต้องก็ต้องดับความยินดีนะั้นนะเนยอ ส, สุภาเจ้าค่ะกับคุณมากับกับกับสามียมคือจะเพิ่มตรงน้ําลายเข้าไปครับอาจารย์พยายามพิจารณาเรื่อยๆอย่าค่ะพระาอาจารย์รู้สึกเหมือนจะเริ่มรังเกียจแล้วเหมือจะเริ่มรังเกียจแล้วค่ะพระอาจารย์แบบว่าทำไมโยอมก็แซวเขาเนี่ยว่าเนี่ยเดี๋ยวยมบุ้นน้ำลายออกมาเธอเอาไปเลียได้ไหมเนี่ย ถ้าถ้ามันเริ่มรังเกตก็ต้องหยุดแผ่เมตตาพิจารณาให้ไหมค่ะถ้วเราไม่ต้องการอยาไปรังเกียจหรือไปรักอาจจะ ช, ช่ช่วเราต้องการเฉยๆอยู่ตรงกลางไม่รั ก, กไม่ชังพระอาจารก็ต้องหยุดแสดงว่าอินยามากเกินไปมันเป็นนั้นยา <c oughs> เหมือนเป็นความอ๋อค่ะพระอาจารย์เชิญพระอาจารย์ค่ะเมื่อกี้พระอาจารย์ว่าอะไรนะคะ อาสุปามันเหมือนยาถ้ากินมากเกินไปมันก็ถ่ายยาได้คครับ่ะมันเป็นความรู้สึกว่าเหมือนไม่ค่อยอยากไปจุปปกป่าเขาซึ่งเมื่อก่อนก็อย่างนี้คือรู้สึกก็ไม่ค่อยไปจุอยากจุ ป, ป่าเขาอะค่ะแต่พอนึกถึงน้ํำลายที่มันมันอยู่ในปากแต่ทําไมพอมาปุ๊บมันสกรปรกแล้วก็คิดกลับไปกลับมาแบบนี้ค่ะอาจารย์แล้วมันอยู่ในปากเรามันไม่สกรปรกอ่ะใช่ค่ะพอาจารย์น้ําลายเขาแลาน้ําลายเรามันก็เหมือนกันนี่ะใช่ค่ะ ต้อง พ, พ, พ, พิจารณาเห็เนว่านะเปนร่างกายของร่างกายเราก็เหมือนกันทุกอย่างมีอาการ32เหมือนกันก็ต้องฉลาดบางทีมันพิกกลับมาแล้วก็ต้องพิกกลับไปใช่ค่ะพอมันเริ่มลําเกียจเราก็ต้องพิจารณาเละความลังเ ก, กียจ น, นั้นด้วยค่ะแต่โยมก็ยังไม่ได้ไว้ใจเจ้าค่ะลังเกียจว่าเรามาอยู่กับมันได้ตั้งแต่เกิดง่ายไง ก็พยายามสังเกตดูว่ามันเป็นอารมณ์แค่แบบเดียวไหมเบืบื่อยากอยากหรือเปล่าตอนนี้คือสังเกตคอยดูอารมณ์ใจตัวเองอะค่ะพระอาจารย์ก็ต้องคอยดูเรื่อยๆว่ามันมันของมุ่งนี้มันไม่ใช่ตายแบบทันทีทังใดอาาจมันตายแล้วมันอาจจะยังไม่ตายสนิทก็ได้ไม่อยากประมาทซ้อมอยู่เรื่อยโทรศัพท์แม่ป้าพระอาจารย์ อย่างสัปดาห์ที่แล้วเจ้าตะวันเขามีมีคอนเสิร์ตดนตรีเปีย โ, โนของเขาใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็คือว่ายยมก็จำเป็นจะต้องไปด้วยอย่างเงี้ยเวลานั่งฟังเด็กเล่นดนตรีเล่นเล่นดนตรีอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์ก็เห็นคนใช่ไหมคะหัวงอกหั ว, หวดําโยมก็พยายามพิจารณาว่าจริงๆแล้วเขาก็พยายามมองให้เหมือนสภาพเหมือนกับว่ามันเน่าไหนแล้วมันก็เสื่อมสลายแบบเนี้คะ่ะพระอาจารย์เพียงแต่ว่าต่างกันตรงที่ตัวตัวจิตเท่านั้นเองคะ่ะพระอาจารย์ก็คือเสียงเพลงก็มา กระทบหูโยมก็พยายามคิดไปเรื่อยๆไปเรื่อยจนมันเหนื่อยก็ไม่ไหวแล้วค่ะก็กลับมาให้ลมหายใจอย่างเดียวแบบเนี้ยคะ่ะพระอาจารย์พยายามคิดบ่อยๆให้มันชินนะคะพระอาจารย์ถ้าคิดแล้วมันฟุ้งหรือว่ามันเหนื่อยก็หยุดจิดบ้างก็ได้เข้าสมาธิได้สติพข้าจิตค่ะแต่สมาธิโยมก็ไม่ได้ทิ้งนะคะพระอาจารย์ยังยังยังยังทำเรื่อยๆคะ่ะอืม มาที่เป็นที่พักผ่อนของจิตใจหลังจากทำงานทางปัญญามากมันก็เหนื่อยก็หยุดพักผ่อนให้กำลังกับจิตใจก่อนแล้วค่อยกลับไปพิจารณาใหม่แล้วค่ะ ม, มีอะไรไหมไม่มีค่ะพระสารพระสารมีอะไรแนะนำาิโยมเพิ่มเติมไหมคะเ่งการปฏิบัติก็ค่อยสังเกตยูจิตแล้วว่ามันมันแพ้อะไรบ้าง มันทุกข์กับอะไรหรือมันมันไม่พอใจกับอะไรก็หรือพอใจกับอะไรก็มันต้องอยู่เป็นกลางไม่รักไม่ชังไม่พอใจไม่ไม่ยินดีไม่ยินลายถ้ามันยินดีลายก็ต้องใช้ตายรักอ น, นิจจังทุกข์ขรานตาเจนาไปค่ะเจค่ะพระ ถ้ารักก็ต้องดูแยมันของที่เรารักมันก็ต้องเสื่อมจากเราไปมันก็จะทําให้เราทุกข์ถ้าช่างเราพิจารณาว่ามันเป็นอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้มันเป็นของมันอย่างนี้เราเมื่อต้องเจอมันต้องอยู่กับมันก็ต้องหัดอยู่กับมันทําใจเฉยๆไปอย่าไปรังเกียจมันน เราหมายก็คือให้ใจเราเป็นกลางให้ใจเราเฉยๆกับทุกอยาก่างไม่มีอารมณ์กับอะไรทั้งสิ้นคำว่าใจเป็นกลางคือหมายถึงว่าสงบจากมิวรรใช่ไหมคะอาจารย์ใจมันไม่แกว่งตามตามราคาหรือหรือความโกรธหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมไม่นักไม่จางไม่กลัวไม่หลงเฉยๆอเบค า, าใครอยากก็เฉยใครชมก็เฉยมีน้ำหนักเท่ากันมันก็เป็นแค่เสียงอะไรนั ถ้าอ้ายังเสียใจอยู่ก็แสว่าก็เป็นกินเลสถ้าเขาชมดีใจก็เป็นกินเลนสถ้าดีใจกับคำชมเนี่ยมันต้องเสียใจกับคำดา่าแต่ถ้ามันใฉยกับคำชมมันก็จะเฉยกับคำดา่า น้ำยศสรรเสริญสุขเนี่ยมันเราสัมผัสมันกันทุกวันเงินทองมาบ้างไปบ้างยศยศอาจจะไม่มีบ้างเราไม่ได้เป็นข้าราชการแต่สรรเสริญนินทานก็มีอยู่เรื่อยๆคุยแล้วสุขทุกทางตาหูจะมองเหายก็เข้ามาอยู่เรื่อย ถ้ามันไม่ได้มันจะสุขก็รู้ว่มันสุขมันจะทุกข์ก็รู้วมันทุกข์อย่าอยาไปยินดีนะกับมันอย่าไปไดีใจเวลาสุขเข้ามาอย่าไปเสียใจเวลาทุกข์เข้ามาเวลาสุขหมดไปทุกข์เข้ามาก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศไเป็นอัตตาอาจานะ อาจารย์จาโอเคอาจาารณ์ค่ะพจาร์ขอประคุณมากค่ะพาจารณ์อาจารย์พิจารเ์มรำมศการพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายกฎของธรรมชาติและกฎของกรรมะอาจารย์กฎของธรรมชาติก็ตายรับในอนิจจังนัพพา สิ่งนึ้อย่างในโล่กนี้มันเป็นธรรมชาติมันเป็นของที่ธรรมชาติผลิตขึ้นมาไม่มีพระเจ้าไม่มีคนนั้นคนนี้ผลิตไม่มีใครมาคอยควบคุมบังคับมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยฝน ม, มันตกก็เพราะว่ามีน้าระเหยขึ้นไปฝนท้องฟ้ามันจับตัวกันเป็นแมฆมันก็จะตกลงมา ม, มันเป็นเรื่องเหุเรื่องปัจจัย น้ำเลยก็เพราะความร้อนทำให้มันเหลเลยความร้อนก็นเพราะเราไปอยู่ยใกล้ดวงอาทิตย์พอโลกหันไปทางดวงอาทิตย์มันก็ร้อนขึ้นมาทุกอย่างมันเป็นธรรมชาตินะในการที่ทําให้เกิดการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของธาตุสี่ดินน้ําลมไฟพระอาจารย์ท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างสรรพสิ่งทั้งหลายต้องปวงเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติไม่มีตัวตน ร่างกายเราก็เป็นธรรมชาติแต่เราใบหลงคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราเราเราคิดว่าเราจัดการกับร่างกายของเราได้แต่พอถึงเวลามันถึงขีดมังก็จัดการไม่ได้เช่นความแก่ก็ห้ามมันไม่ได้ความเจ็บคข้ได้ป่วยนหะ้ามมันไม่ได้ความตายก็ห้ามมันไม่ได้ก็เราต้องรู้จักยอมรับปล่อยวางปล่อยให้มันเป็นไปตามตามปัจจัยของมัน แล้วใจก็จะไม่ทุกข์ินงใจทุกข์ก็เพราะว่าใจไปอยากอยากจัดการกับธรรมชาติเ mm hmm. พราะเราไปหลงคิอว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติื่อว่าเราไปคิดว่ามันเป็นของเราตัวเราเราเคยจัดการได้ในระดับหนึ่งเรนก็เลยหลงคิดว่ า, าจะจัดการกับมันได้ทุกระดับเอเราก็จัดการเรื่องอาบน้อาอาบทาร่างกายสกปรกเก่าๆน้าให้มันได้ mm hmm. มันหิวข้าวก็หาข้าวมันกินได้มันมันหิวน้ำก็น้ากินได้มันง่วงนอนก็พักนอนแล้วบางอย่างมันทําไม่ได้เรามองให้มันเป็นธรรมชาติเป็นของที่บางอย่างเราก็พอที่จะจัดการได้ก็จัดการไปอันไหนจัดการไม่ได้ก็อย่าไปทุกข์กับมันยอมรับความจริงมันจะดับก็ต้องยอมรับความจริงมันจะแปรปรวนก็ต้องยอมยอมรับความจริง ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ปวดก็ต้องยอมรับไปจะเป็นไนข้วันใหญ่ก็เป็นไปเป็นข้ออะไรก็เป็นไปถ้ากันได้ก็กันไปฉีดยาได้ก็ฉีดไป อ, อันนี้ก็คือธรรมชาติทุกสิ่งทุก อ, อย่างร่างกายของเราบ้านของเรารถของเรา น, นี่มันเป็นธรรมชาติมันอยู่ภายใต้กฎสองใจร่ะนั้น แต่ไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วข้าวเดียวทั้งวันเลมันก็ต้องพั ง, พงไปถ้าเราปอะหยักให้มันไม่พังแล้วก็จะทุกขอันนี้คือกฎธรงมกายแล้เป็นกฎธรรกรรมนี่เป็นเรื่องของการการทําของจิตของใจถ้าใจทําดีใจก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาได้ทําไม่ดีใจคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีมันก็เกิดความทุกข์ใจ แล้วก็มันก็มีผลทั้งในขณะที่ทำในขณะปัจจุบันก็คือความสุขใจทุกข์ใจแล้วมันก็สะสมนในใจเวลาร่างกายตายไปความสุขใจทุกข์ใจที่เกิดจากการทาแบบุญเรื่อทำบาปก็มาแสดงผลต่อในช่วงที่ไม่มีร่างกายตอนที่ไม่มีร่างกายใจก็เหมือนอยู่ในแดนเดนละมิ แล้วผู้จริงยังไงแล้ไม่เห็นการดีแล้วไม่ดีก็คือบุญหรือบาปที่ทําไว้หมความฝันเหมือนเราตอนที่เรานอนหลับบางทีเราก็ฝันดีบางทีเราก็ฝันร้ายฝันดีก็เพเป็นเป็นอานาจของบุญที่เราทำํำไว้ฝันร้ายก็เป็นอำนาจของบาปก็เห็นว่าฝ่ายไหนมีกําลังมากกว่าฝ่ายนั้นก็จะเป็นตัวดนำนันการ ถ้าบาป็นกำลังมากกว่าก็จะฝันร้ายตายไปก็จะฝันร้ายฝันร้ายตอนที่ตายไปแล้วก็เรียกว่าเป็นไปอาบายแล้วเป็นหนึ่งวิญญาณที่หิวโหยก็เป็นเป็ดดวงวิญญาณที่หวาดกลัวก็เป็นอนรกายดวงวิญญาณที่อาฆาตพยาบาทมีแต่เรื่องกอดเกล็ดฆ่าฟันกันต่อสู้กันอะไรอย่นี้ก็เป็นเป็นนรกไป หรืม่เช่นั้นก็ได้มาเกิดได้รับการของสัตเดเดลาฉาติตองกาด ก, กันกินกันแย่งกันกินค่าชีวิตของผู้อื่นพวนี้อย่างชีพของตนเองวันนี้ก็เกิดจากการที่เป็นมนุษย์ทําอะไรไว้ถ้าทําแบบเดเดลาชามันก็ต้องไปเกิดเป็นเดเดฉาชาในทางลงา้มค้าบถ้าทาบุญใหก็ให้ความสุข พอพูดความสุขก็กลับมาพูกระทำทาบุญแล้วใจสุขใจอิ่มใจสบายใจเวลานอนหลับ ก, ก็ฝันดีฝันเรื่องดีๆเวลาตายไปก็ฝันต่อนะเรียกว่าเป็นสวรรค์ไปแล้วก็นอกจากบุญกับบาปแล้ใจยังมีอีกตัวหนึ่งที่มามนมีอิทธิพลต่อใจก็คือความอยาก ความอยากนี้มันจะผลิตความทุกข์ให้กับใจทุกครั้งที่เวลาอยากเพราะอย่างว่าวไม่ได้ก็จะเสียใจทุกใจแล้วความอยากนี้ก็จะเป็นตัวที่จะพาให้ไปไปมีร่างกายไปเชื่อมต่อกับร่างกายเพราะอยากดูอยากฟังอยากนิ่มน้นตบเกิดก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายนะไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่พาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดคือตัวความอยาก ส่วนจะอยู่ไปเกิดพระดีหรือพราะไม่ดีก็อยู่ที่บุญหรือบาปที่ทำไปพระพุทธเจ้าวังตัดสรู้ว่าไอ้ตัวนี้พาให้ดวงวิญญาณต้องเห็นว่าตายเกิดอยู่เรื่อยๆก็คือความอยากอยากเสพ ร, รูปเสียงเกิ่น้ออยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็ต้องกาจัดมันวิธีกาจัดมันก็ต้องปฏิบัติทำวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนา โดยการสนับสนุนของศีลศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยิบเจ็ดถ้าไม่มีศีลขนาดนี้จะทําจิตให้สงบยากตอนทำให้จิตให้สงบหยุดความอยากชั่วคราวก่อนคนหยู่ความอยากชั่วคราวได้แล้วมาแล้ออกจากความสงบความอยากฟืน้นขึ้นมาก็ใช้ปัญญาพิจารณามันทุกอย่างที่ศีลทุกอย่างที่ ใจอยากได้มันเป็นไตรัก ม, มันเป็นทุกข์เพรามันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปพอหมดก็ทําให้เสียใจทุกข์ใจหมายถึงทุกอย่างที่เราอยากได้เป็นทุกข์ก็ไม่เอาดีกว่าเหมือนถ้าเครื่องดื่มที่เราดื่มมันจะทําให้เราตายเพราะโรคมาอะไรเงี้ยเราก็ไม่เราก็ไม่ดื่มแต่เรามองไม่เห็นกันเราไปคิดแล้วว่าไม่มีโรคไม่มีใครก็ไม่มีใครทําทวิจัย ถ้าเกิดมีคนก็ไปทำํำวิจัยแล้วว่าเครือ่องเดื่มชนิดนึงว่ามันมีสารก่ออะไรเนี่ยก็พอรู้ปั้มก็ไม่มีใครกล้ากินไม่กล้าึ่งก็เหมือนกันถ้าเราเห็นทุกอย่างว่าเป็นทุกข์ทำให้จิตท่องพาทําให้เราทุกข์หรือแม้เบื้องต้นจะทําให้เราสุขได้เงินมาก็มีความสุขแต่พอได้เงินมาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการดูแลรักษ า, ากังวลว่ามันจะอยู่กับเรานานหรือไม่านานจะหมดไปเมื่อไหรไม่รู้ เวลาหมดก็ทุกข์อีกมันไม่ได้มีแต่สุขอย่างเดียวของทุกอย่างที่เราที่ว่าจะให้ความสุขกัเรามันมีความทุกข์เนี่ยติดมาด้วยมืันเหรียญสองด้านเราเหรียญมาแล้วมันต้องได้ทั้งหัวทั้งก้อยนี่เห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาว่าเห็นทุกอย่างมันเป็นทุกข์ก็ไม่เอาดีกว่าก็จบผหยุดความอยากได้หมด ไม่ใความอยากปจิตก็ไม่มีตัวผักดันให้ไปเกิดอต่อไปจิตก็นี่ผ่านไปอกฏแห่งกรรมของกฏของตายรักมันเกี่ยวโยงกันเพราะความความอยากของใจอยากไปยุ่งอยากไปได้ของที่เป็นตายรักพอเรียนปัญญาต่อไปก็ไม่อยากได้เลยอยากเสพด้วยเสียงเงินรถ ก็ต้องกลับมาเกิจแก่เกิตายอยู่เรืยต้องมีร่างกายแล้วรูปเสียงกินแล้วมันก็พลิกไปพลิกมาบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์งั้นต้องมองเห็นความทุกข์ในทุกสิ่งทุกอย่างเห็นตายรัาเห็นเห็นทุกข์เพราะว่าไม่เที่ทุกข์เพราะมันธรรมชาติที่มีเหตุมีปัจจัยที่คอยจะทําให้มันเกิดความทุกข์ขึ้นมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ พอจะ เ, เข้าใจแล้วนะคุณหมอเข้าใจมากขึ้นมากเลยครับอาจารย์ขาบขอบพวกคุณอย่างสูงครับหน้าที่ของเราคืออย่าทำบาลดลดความอยากตัดความอยากให้หมดไปพิจารณาทุก ส, สิ่งทุกอย่างว่าเป็นของไม่เที่ยงของไม่สวยงามของเป็นปฏิกูลอาหารก็เป็นปฏิกูลกินเข้าไปในร่างกายก็กลายเป็นอุจจาระไปคุณหมอให้มันเห็น ครบคนนั้นคนนี้ก็เห็นว่าเป็นอาการ32ไปเป็นซากศพไปมันบบไม่จะละความอยากในหมูโ okay อเคนะนอ่าไปที่ท่านต่อไปคนที่ติมาการรัชกาลพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคำถามค่ะมันกลับังท่ำค่ะอ่ายัางรักษาส้อยู่้นแปดอยู่ รักษาอยู่ค่ะพระอาจารย์นั่งสมาธิอยู่หรอือเปล่านั่งทุกวันคะ่ะเชา้าเย็นค่ะแล้วฝึกสติทั้งวันด้วยพยายามสุดอยู่ค่ะพระอาจารย์โอเคดีคะ่ะอาจารน์าคักการแข็งแรงคะ่สะสาธุคุณสารการชัยนาะวมาฟังคะ่ะพระอาจารย์ไม่เฉยได้ไม่ทุกไม่เดือดร้อนกับอะไร ก็พอได้อยู่พอได้อยู่นยังเดี๋ยวนอนอยู่บ้างนะยังมีบ้างอยู่ก็ก็ก็ได้นิดนิดอ๋อนิดนิดนะ ย, ยังไม่ทันมันนะสติไม่ทันมันเลยก็ก็ยอมอยู่แล้วก็เสร็จแล้วถ้าเราไม่บอกนี่เดี๋ยวเขาจะได้ใจ <Okay. S 2> เราจะต้องพอเขาเห็นเราเงียบมากไปเขาก็เอาใหญ่เราก็ สักพักนี่เราก็จะไปพูดต้องกําลังเท่าไงนะเธอรู้ว่ามีเสืออยู่นะไม่ใช่แมวนะใช่ค่ ะ, ะเพราะว่าถ้าถ้าปล่อยเลยไม่ได้เดี๋ยวได้ใจเดี๋ยวได้ใจนะอ่าโอเคแต่ไม่ทุกข์กันเขาใช่ไหมเฉ ย, ยๆค่ะไับทุกข์ใช่แต่เ้าว่าน่าจะอันนั้นมากกว่าพอเพราะว่าเขาอะเหมือนรักเรามากกว่าแล้วก็รู้ว่าแบบ ตอนนั้นพอดุไปเขาก็เ อ, อก็เลยเขาบอกเขาก็แค่พูดว่าถ้าสมม ว, ว่าเราตายอะ่ะอืเขาอะยังไม่รู้ว่าเขาจะทําตัวยังไงมันน้องสาวม้ก่อนเลยว่าอ่าน้องซ้อมให้ก่อนใช่โลโก็บอ ก, อกบอกก็ ก, ก็ก็อย่างนี้แหละก็มันก็มีอยู่สองคนเดี๋ยวมันก็จะคนค น, นคนใดคนหนึ่งแล้วเมื่อก่อนเขาอยู่เขาไม่เจอเราเขาก็อยู่กับเขาได้ทำไมตอนนี้มันจะ คิดดูเลยใช่ลูกแต่เขาเขาก็อ่านพวกธรรมะของอาจารย์นะคะแล้วก็พูดเวลาพูดเขาก็พูดตรรมาอ่ะลูกเขาก็เออลูกก็ว่าเขาเออเขาเก่งกว่าลูกนเนี่ยดูเฉยอไม่พอธรรมะมีไว้เพื่อมามาดับความทุกข์ใจใช่เขาก็เขาก็อารมณ์อารมณ์ ถ้าถ้าไม่นั่งอะค่ะลูกว่ามันมันมันจะทําให้อารมณ์ร้อนอันนี้พอไม่มีอเบกาไม่มีสถีใช่บางอย่างแบ่พอเวลาเราเราอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะว่าอุ้ยทําไมลูกแบบเฉยได้อย่างไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะโดนดนดุโด น, โด น, โดนไล่ลูกก็เฉยเฉยเขาก็ตึกมาว่าแบบอันนี้ไมมลูกแบบบ่อยลูกก็แค่มองว่า เออเราอาจจะเป็นอย่างนี้มาก่อนเราก็แค่เห็นตัวเราสมัยตอนเราทำงานเราก็อาจจะมีหงุดหงิดก็แค่นั้นเราเราก็วางไปอืมค่ะมสามารถเราต้องปฏิบัติด้วยมันเป็นยาสมบูรณ์ใช่ลูกลูกก็คิดว่าปรับไปเรื่อยๆค่ะก็ก็เย็นได้มากขึ้นค่ะแต่ก่อนเป็นไฟกว่านี้ไอ่าโอเคดีทาต่อไปนั่นอย่าประมาทนะ ค่ะค่ะค่ะไปที่คุณวิไลพรคุณหญิงกับนวมส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์คะโยมขอถามปัญหานิดนึงเจ้าค่ะเอ่อในระหว่างทําสมาธิาค่ะคือพอโยมนั่งไปแล้วโยมก็เหมือนกับเอ่อดูลมจนลมมันหายไปจนแทบจบะแบบคือคือลมลมหายใจคือหายสนิทแล้วก็อยู่กับความว่างพระอาจารย์สักพักหนึ่ง เวทนามันเกิดแต่ทุกครั้งอ่ะเออถ้าเป็นเมื่อก่อนนะโยมสามารถที่จะผ่านเวทนาได้แต่ครั้งเนี้ยโอ้โหมันมันเวทนาเอามันปวดแสนสาหัสเลยพระอาจารย์โยมก็จะอยู่กับเวทนากับว่างเวทนากับว่างอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆพระอาจารย์แล้วก็พยายามมองให้มันเป็นไตรักกับพระอาจารย์มองให้เป็นไตรักจนแต่ความปวดมันก็ยังอยู่พระอาจารย์จนแบบเหงื่อมีความสึกได้ว่าเหงื่อเราโอ้โหแบบคือมันปวดจนเหงื่อออกเอยอะแยะไปหมดเลยพระอาจารย์ สักพักุณโยมก็ก็เกือบชั่วโมงพระอาจารย์อยู่ความปวดกับชั่วโมงเลยเจ้าค่ะแล้วโยมก็เลยเออก็เลยเอ๊ะเราก็เลยกลับมาเหมือนเหมือนกับว่าเราควานหาลมอีกรอบหนึ่งเพื่อเพื่อที่จะให้ลืมความปวดแล้วมาอยู่กับลมเนี่ยพระอาจารย์มันก็เลยกลายเป็นว่าเราเราก็ออกจากความวางคือมันมันก็เลยกลายเป็นแบบอย่างนี้โยมต้องทอํายังไงพระอาจารย์ก็จำคิดว่าเราต้องเผามานันอย่างที่พระอาจารย์บอกหรือว่าเราเราต้องพยายามอยู่กับเขาไปจนเขาหายไปเองพระอาจารย์จะมัน โหทรมานมากกันเกือบชั่วโมงเลยค่ะโ ย, ย, ย, ยมออกมาดูโ ห, โหกับชั่วโมงอยู่ความปวดกับชั่วโมงแล้วคะแต่ว่าโยมก็รู้ถึงเลยว่าที่พระอาจารย์สอนบอกว่าเวลาเราเราจะตายอะไรอย่างนี้ยค่ะเราก็จะรู้ว่าความปวดแล้วก็ความว่างปวดกับว่างนี่ใช่ป่ะคะพระอาจารย์ลูกก็พออยากไปให้มันหายอ๋ อ, อคือเราไปเอาชนะเขาเงนี้หรือพะอาจารย์ใช่เราอย่าไปเอาชนะเขาเราต้องยอมเขายอมอยู่กับเขายมอมหยุดเ ย, ย็น เยมก็ทําใจให้เป็นใจรักษนะพระอาจารย์หรือเป็นเพราะว่าเราคิดให้เป็นไตรักไม่ใช่ต้องทําใจให้เป็นโอเบคาทำวิทนาให้เป็นใจรักนใจเป็นโอเบคาต้องมองว่ามันเป็นอนัตตาเป็นของที่เราบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้ใช่ยมคิดอย่างนั้นพระอาจารย์กับชั่วโมง<ก>เอาไม่อยู่ค<ะ>่ะก็เอาไม่อยู่เพราะยังไม่เห็นจริงอเลยถ้าเห็นจริงมันต้องปล่อยถ้าเห็นว่ามันเหมือนดินฟ้าอากาศมันก็ปล่อย อืมที่เหงื่อแตะเพราะว่าเราสู้กับเขาใช่ไหมพระอาจารย์สู้กับเขาอ๋ออยากให้เขาหายนะอ๋อทั้งทั้งโยมก็คิดว่าโยมพยายามทําใจไปอ่อเบกค่ะแต่ก่อนหน้านี้โยมผ่านได้แบบเขผ่านแล้วโยมก็จะเบาถ้ายังจะทําใจเบกค่ะ่าต้องบริกรรมพุดโธพุดโธไปอ๋อแล้วเราไม่ต้องมาดูมาควานหาลมอ่าไม่ต้องควานหาลมไม่ต้องอะไรทั้งนั้นใช้บริกรรมพุทโทพุทโทรพูดโทรเททีใช่ไหมคะพระอาจารย์ ถีก็ได้ไม่ถีก็ได้แล้วแต่เป้าหมายก็อย่าไปให้มันให้มันลืมเวทนาไปอย่าไปสนใจมันอืมเจ้าค่ะเมื่อก่อนโยมผ่านได้แต่อาจเป็ น, นเพราะว่าช่วงหลังโยมจะห่างจากการนั่งสมาธิสักพักหนึ่งเพราะว่าโยมไปดูเรื่องเรื่องไร่เรื่องปลูกเรื่องสร้างบ้านกำลังสติมันก็น้อยมันก็เลยวางเฉยไม่ได้ชั่วโมงเลยพระจ่าโยมต่อฟู่ พอชั่วโมงหนึ่งกับชั่วโมงเลยนะใช้พุโทโธงทีสิบนาทีก็ผ่านได้สบอแล้วแล้วอย่างของพระอาจารย์นี่พระอาจารย์คือเข้าสมาธิโดยไม่ต้องเจ็บปวดป่ะคะเวลามันเจ็บแล้วก็เฉยๆไปทันเข้าใจมันว่ามันเป็นของที่เราบังคับมันไม่ได้เราก็เฉยๆก็มันไปอยู่กับมันไปไม่ไปไม่ไ ม, ไม่ไม่อยากให้มันหายไปอื แต่เบื้องต้นในเวลาฝึกใหม่ๆมันพอเจ็บมันก็จะ ด, ดิ้นมันเราใช้พุ <ไป S 2> ทธะพยายามมองเป็นใจลับใช้พุโทโธพุโทโธใช้สติหยุดใจไม่ให้มันดิ้นพอใจหยุดดิ้นความทุกข์ก็ไม่มาลบกวนใจความเจ็บก็ไม่มารบกวนใจอยู่กับความเจ็บได้อันนี้เป็นขั้นตอนแรกๆตอนที่ฝึกใช้สติสู้กับเวทนาบางครั้งใช้ปัญญามาพิจารณาว่ามันก็ เวลามันเกิดก็เราห้ามมันไม่ได้ทํไล่ให้มันไปมันก็ไม่ไปใช่เราจะก็ต้องให้มันช็ต้องยอมยอมรับต่อไปยอมเยม็นยุ่ยหยุดต่อต้านมันค่ะแล้วที่ลมหายใจเราหายไปเลยคือตอนรู้แค่สองอย่างพระอาจารย์รู้แค่ปวดกับความเงียบปวดกับเงียบปวดกับเงียบแค่นั้นเองค่ะเราเราไม่รู้ลมเลยพระอาจารย์นั้นลมช่วยไม่ได้ ล, ลมมันตอนตอ น, ตอนนั้นต้องใช้คําบริกรรม โอ mm hmm. ค่ะพระอาจารย์โยมเขจะฝึกใหมอ่อี ก, อกรอบมหาเขาจะโยมน่าจะแบบห่างห่างจากการนั่งเมื่อก่อนที่โยมผ่านพระาได้คือโยม mm hmm. นั่งเช้าเช้าทุกเช้ากับทุกเช้าค่ะพระอาจารย์ก็ผ่าน mm hmm. ได้พอผ่านแล้วจะเบาสบายจะแบบรู้สึกโ อ, อ้โหสบายมากพระอาจารย์ hmm. ค่ะโยมกลับปฏิบัติใหม่ก็แสดงว่าถ้าครั้งต่อไปถ้ามันเราเอาไม่อยู่เป็นชั่วโมงเราก็พุดโธไปเลยพระอาจารย์ใช่ไหมค ะ, ะพูดโทรศท์ไปเลยไม่ได้แล้วว่า บอกว่ามันเป็นอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้โ ย, ยมคิดอย่างเงี้ยพระอาจารย์โมก็พยายามมองแค่เขาเป็นไตรักเมื่อก่อนมองมองเป็นไตรักแล้วไปเรื่อยๆเนี่ยมองแค่แป๊บเดียวมองใจงกว่ามันจะปล่อยอแต่สุดแสนสาหับเลยนะพระอาจารย์แบบก็มันยังไม่ปล่อยมันยังมันไม่ยังไม่เห็นว่าเป็นไตรักจริงอ๋อถูกค่ะเพราะทุกทีโยมมองโยมมองว่าเป็นไตรักอย่างเงี้ยแล้วโยมผ่านได้ครั้นี้โยมก็พยายาม อาจเป็นเพราะว่าตั้งใจเกินใช่ไหมคะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ยอมฝึกใหม่ค่ะขอบขอบพระคุณพระอาจารย์มากทีเแล้วแล้วอย่างที่พระอาจารย์สอนว่าถ้ามันปวดให้เราเผานี่เผายังไงอ่ะพระอาจารย์อก็คิดว่าอาการปวดเป็นเหมือนไฟเวลานอนไฟเผามันต้องปวดใช่ไหมมันต้องเจ็บนี่ยเราก็จ้องเขางเนี้่นึกนึกว่าเป็นไฟขึ้นมานี่นึกว่าเป็นไฟแล้วก็เริ่มเผาร่างกายไปนามไปทั่วร่างกายอ๋อยอมยังไม่เคยใช้วิธีนี้เลยเจ้าค่ะอ่าเราเรา เราจินนาการก่าำลังถูกไฟเผาอยู่เจ้าค่ะได้ค่ะพระอาจารย์กับขอบคุณพระอาจารย์ในธรรมะคำสอนของพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมปฏิบัติอยู่ประจำเจ้าค่ะพระอาจารย์กับขอบคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์รักษาทัศฐานนะคะอ่าอ่าสันโดษคุณยายยังคุณยายาอ วันนี้มาส่งกันบ้านพระอาจารย์แล้วก็พาคุณยายมากราบพระอาจารย์ครัคุณยายสบายดีนะค่ะก็อยู่แต่บ้านนะคะจะไปไหนแล้วคนแก่แล้วไปไหนไม่ได้แล้วก็อยู่บ้านอย่างเดียวคนะไม่มีเพื่อนไม่อยู่คนเดียวดีจะได้ภาวนาค่าก็ไหวพระท่านอยู่นะคะ สาวเย็นค่ะอย่าไปดูอย่าไปดูละครอย่าไปดูหนังก็มีบ้างค่ะยายไม่รู้จะทำอะไรสวนมนต์ไหวพระนั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมไปทีนี้ก็อาจารย์จะคอยเตือนคุณยายให้มีอยู่วันหนึ่งครับพอาจารย์ก็ผมก็บอกคุณยายว่าคุณยาย ดีทีวได้แล้วมั้งเดี๋ยวอาจารย์สุชาติบอกว่าพอแล้วมั้งอย่า <c oughs> อย่าไปเตือนอย่าไปเตือนคุณยายถ้าแกไม่สั่งอย่าไปเตือนแกแกไม่ลืมหรอกแกรู้อย่าไปเตือนใจใจยจสมโงเอาเนะไปเตือน <c oughs> แกอานะอกอจารย์นะแต่พ <c oughs> อ, อ, ออ้างพระอาจารย์นะคุณยายตะโกนเลยบอกว่าปิดเลยปิดเลยปิดได้เลยอย่างนี้เลยนะคะพระอาจารย์ เราจะโกรธอาจารย์กันด้วยไม่อาจารย์ยังได้ถึงท่านอยู่ตลอดเลยค่ะ <c oughs> ไมเตือนก็นได้ครับอาจารย์เดี๋ยวคุณยายโกรธทั้งสองคนเราให้ให้คุณยายสั่งก่อนว่าถ้าคอยเตือนก็ค่อยทําถ้าคุณยายไม่สั่งก็ทําไม่ได้ครับอาจารย์ก็จะเงียบปากไปครับ แต่ยำยำนะครับแบบว่าเฮ้ยยายวันพัสหน้าใกล้วันพัสอะไรอาจารย์ครับผมอาจารย์วันนี้มามีคําถามมาถามอาจารย์คออรับผมมาคือเฝอเอินว่าไปเห็นข้อธรรมมาหนึ่งของพระอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าแผ่เมตตาต้องแผ่เวลาที่มีเห็นการเกิดขึ้นไม่ใช่แผ่ตอนที่เราไหว้พระสวดมนต์ตอนนี้ไม่มีใครรับไม่มีใครให้เลยอยากจะถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์หมายถึงอะไร อ, อ, อมันการแผ่เมตตาคือการกระทําไม่ใช่คําคิดเฉยๆต้องมีการกระทําเช่นตอนนี้เราแผ่เมตตาให้กันนะเยอกันก็นทักทายกันใช่ไหมไม่น่าเบื่งใส่กันใช่ไหมแสดงความเมตตาต่อกันความเมเป็นเมตรกันด้วยการทักทายอาจารย์สบายดีแล้วใช่ไหมฉัน ด, ดูสบายดีแล้วทักทายกันอันนี้ยเมตตาแนละ้ว แต่ถ้าอยู่คนเดียวเราไ่ทักทายสัญโดดได้งไงสัญญาก็ไม่รู้ว่าเราทักทายหรือเปล่าเนาะทากทายใจที่ที่ให้สวดตอนที่อยู่คนเดียวก็เพืดซอซอฟเพื่อเรียนหนังสือทําการบ้านคนใดไหมเรียนว่าเราต้องแผ่เมตตาเวลาเราเจอกันสับเจี๊ยสับตาหมายถึงว่าเราเจอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเราต้องให้ความเมตตาเราต้องไม่จองเวรเขา มาเวลาเราเจอสประสสารทั้งหลายทั้งวงทั้งมนุษย์ทั้งเดชะชานทั้งเทวดาทั้งเปรตทั้งผีถ้าเจอเขาก็ให้ความเป็นมิตรกับเขาอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดอย่าไปลักอย่าไปชังก็อย่าไปไล่เขาครับใช่คือการเป็นการเป็นการกระทําที่เป็นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้ทั้งสองฝ่ายถูกปหมครับท่านอาจารย์มันก็ต้องมีการกระทำนี้ เหมืนตีปิงปองตีคนเดียวได้ไหมพระอาจารครับอย่างนี้การแผ่มเมตตาแบบอยู่ในห้องพระที่พูดไปเมื่อสักครู่คือการทำ ก, ทำก<า>ันบ้านซ้อมคือการซ้อมซ้อ ม, อมทำกันบ<ช>้างพระอาจารย์นว่าเราต้องแผ่นะเมตตามีอะไรบ้างต้องให้อภัยเวลาโกรธกันเกลียดกันเวลาทําอะไรก็อย่าไปให้คนอย่าไปเดียดเรียนคนอื่นอย่าพยายามให้คนอื่นเขาเดือนร้อนอย่าไปทําอย่าไปทำร้ายร่านกายและจิตใจของเขา แล้วก็ให้ความสุขกับเขาด้วยการเป็นซันด์คลอดนะฮะซันด์คลอดนี่มีใครเขียนะไหมซันด์คลอดมีใครเอาของขวัญมาแจกใช่ไหมอ่าแล้วนอกของขวัญเนี่ยเอาไปข้างนอกกลับมาบ้านั้งซื้อของมาฝากคุณยายแบบเมตตามีโอ้งมีการมาท้องคุณจากคุณยายที่ไม่ได้แผ่เมตตาไปรีดถ่ายคุณยาย ก็ปกติถ้าเข้าบ้านมาจะมีหนังสือธรรมะมาให้คุณยายอย่างเงี้ยครับอาจารย์อ่าก็แบบมีอะไรต้องของฝากให้ทําให้คุณยายมีความสุขกลับมาบ้านก็กลับถ้าคุณยายอยู่แต่คุณยายก็ยิ้มเลยอาจารย์ได้ครับก็ดีประมาณนี้ครับผมอาจารย์พระอาจารย์ธาตุขันแข็งแรงขาขอบคุณครับอาจาร ไม่ไม่เข้าใจจริงๆหรอว่าการแผลไม่ตาแผลยังไงเข้าใจครับมัน simple แล้วก่อนมันเข้าเข้าใจครับพระอาจารย์เพื่อคือไม่ใช่อะไรครับอาจารย์มีคุณน้าที่เขาก็ติดตามพระอาจารย์อ่ะเขาสงสัยเขาก็เลยมาถามผมอธิบายไปเหมือนที่พระอาจารย์บอกตะกี้เป๊ะเลยครับว่าเช็คอีกทีว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าครับอ ผมก็อธิบายเข้าไปว่าเนี่ยมันคือการทําแบบเป็นรูปธรรมโดยทาน<ม>ตาจิตมันไม่ใช่ว่าแบบว่าเรามานั่งแบบพูดคนเดียวก็พูดเหมือนที่พระจานทร์พูดความเมตตาเนี่คือการกระทำํำ action เป็น action ไม่ใช่ซ h i n k i n นั่งส่วนคนเดียว t ่ i ซ k i n g ขอให้คนนู้นมีความสุขก้อนี้เขาไมีความสุขก็พิดไปในใจเฉยเขาไม่รู้เรื่องกันเรา อยาให้เขาเปความสุขจริงก็อย่างที่บอก เ, เจอเขาว่าก้กาบเท้าเขาดูเลยอแต่เราก็ต้องดูด้วยใช่ไหมครับว่าใครสองคนกา้าวใครสักคนไม่กา้าวอ๋อใช่นะคุณเป็นตัวอย่างคนที่เราควรก้าบแต่เราไม่กา้าวเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยคนรกราบเท้าทุกวันรับรองได้ก็ยิ้มเะได้แล้วไปก้าวเขานะ กับกับคุณยายทุกคืนครับพ่อจารยงกับคุณยายทุกคืนครัไม่ว่าให้ความสุขกับผู้เขาเป็นเมตตาอย่างก็บายทั้ทุกทุกวันนะคะตอนเช้าเดี๋ยวาตื่นมาตื่นมามากราบคุณยายแล้วคุณยายมีความสุขไหมเวลาหลานมากราบใช่ไหยิย้มสนได้กันนะคะไม่ใช่กราบในห้องพักคนเดียวกราบคุณยายแล้วคุณยายไม่รู้เรื่อง ครับป้าจันใครลงอกหน่อยว่าเอ๋อโอเคผมตอบไปถูกเอ้ยคนมาถามครับป้าจันนี่ไม่น่าจะถามมาเลยนะเรื่องเรื่องเรื่องเกาะไก่พ้องไข่แท้เรื่องต่อไปครับาจาย์ันดีอยากอยากเช็คคําตอบกลัวเดี๋ยวฟิกพลาดทางเทคนิคก็เดี๋ยวเดือดร้อนเปัญญานนี้ ปัญญาทึบเพื่อนเนี่ยไม่เข้าใจความหมายของความเมตตาการกระทําความเมตตาให้ความเมตามเมตากับผู้ให้อย่างไงครับผมไปจะยังไปรุงปัญญาครับผมไปจะ <c oughs> <c oughs> เอาให้จัดเริ่มเขียนกอไก่ขอไข่เป็นเขียนเรียงความได้ครับเ <c oughs> คอคนมันเป็นหลงคําว่าแผ่ที่ว่าแผ่แบบกระจายเสียงโอ้ยกระจายจิตเราแผ่ไปชั่วสั์ ส่วนตายพบเลยทั้งสามพบพม่าโลกเทวโลกมนุษย์โลกอะไรทิดแผ่แบบนั้นทิ่แผ่แบบกระจายเสียงกระแสจิตแล้วแพ่ออกไปมันไม่ใช่หรอกแต่คนเขาจะเข้าใจกันอย่างนั้นแล้วเราเจอกันจริงๆก็แหแยกเคี้ยวใส่กันเนี่นยดูด้วย <c oughs> ว่าเวลาขับรถบนทางถนนเป็นยังไงแผ่ไม่ตากนันหรือเปล่า มันจะด่ากันในใจเนี่ยไอ้มึงไอ้หานู่นนี่ขับรถยังไงวะอาจารย์ก็ซอมซ้อมซ้อมสปาประโยชน์อาจารย์ใช่อขึ้น้นบนถนนถนนขับรถท่นนี้โอ้โหไม่รู้มาจากไหนความความโหดไหลทารนณยามมาออกมันอยู่ในใจโผล่มาเลยด่าคนนั้นด่าคนนี้ขับรถยังไงวะนีไม่ดีลงครับ ลงมาด่ากันอะไก็มีใช่ไหมรถติดลงมาด่ากันชักปืนมายิงกันอะไก็มีเนั่องจาถ่ายเมตตาหนครับอาจารย์ได้ครับผมอาจารย์ผมเข้าใจอย่างของแท้แล้วครับใครมาถาอีกผมก็ตอบตอบได้เตะแล้วครับพีนี้เป็นการกระทำเนืไม่ใช่เป็นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการกระจายเสียงกระจายกระแสจิตออกไปไม่ใช่ คนคนไม่เข้าใจคําว่าแผ่ก็ต้องแผ่แผ่ก็เหมือนกันว่าสลรานิทวารท้ายก็แผ่สัญญาณใช่ไหมแผ่ไปทั่วประเทศเลยครับอาจารย์โอเคเข้าใจแล้วนะเอ้าใจเข้าใจหลังแท้แล้วปัญญาประดับเรียบร้อยครับเข้าใจไม่ไม่ทึบแล้วครับอาจารย์ขอบพระคุณพระอาจารย์ได้ให้ความกระจ่างครับอาจารย์ทุปัญญาอยู่เป็นานๆนะ พระอาจารย์ไไทัดแทนแข็งแรงค่ะท่านใยค่ ะ, ะสาธุตามมาคุณอจจมมาจารย์พรหมวิไลกลับถึงบ้านแล้วเละเช้ามาใส่บาตรถึงถึงบ่ายค่ะพมไปมแวะที่บังพร ะ, ค, ะ<ม>ค่ะคนขับรถโอลุกค่าลุกก็ไม่รู้เลยนะคนขับรถนึกว่าจะไม่ปลุกแล้วค่ะอ<ม>ืนอนฟังอยู่ วันนี้เหนืวันนี้เหนือยเพราะการประชานไปกันตั้งแต่ตีสี่กว่าค่ะแต่วันนี้เีงค่ะมีแฮปปี้เนสเกิดขึ้นในใจอืมทําบุญนั้วก็มีความสุขเนี่ยเพราะฉะนั้นสุขใจเตรียมของก็สุขใจนะคะคนไปด้วยก็สุขใจอืมทุกคนก็อนุโมทนากันเองค่ะือก็ได้ไปเจอญาติโยมที่เข้าสูมหลายท่านเนะวันเนี้ย ก็ได้ทักทายกันค่ะวันนี้คงไม่ทาแล้วนะคะเปิดโอกาสให้ท่านอื่นๆนะครับไอ้พักพ่อนหลับนอนท่านนะสงวยนะเป็นพวกสงวยนะเป็นสอบวตัวจริงค่ะกับรัชกาลก่นไปที่ k a n ซ a s u s เอสเัยินดีบองสวัสดีค่ะท่านอาจารย์บังจู ผมชุค่ะท่านอาจารย์ลูกก็ไม่มีอะไรค่ะเดวิก็เหมือนเดิมค่ะไปทำงานแล้วนะค่ะไปทํางานแล้วกันบอกเมซี่โบกูนะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เขาก็ได้หยุดพักผ่อนแล้วค่ะเป็นช่วง thank giving พอดีเลยค่ะอาจารย์ใช่มันพักผ่อขอบคุณท่านอาจารย์มากค่ะท่านอาจารย์ที่ให้ให้ให้ให้มาตลอดค่ะอืมขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะท่านอาจารย์หยุดสี่วันเลยนะวันศุกร์ที่ คนจะเดินทางกันเยอะในอเมริกาช่วงนี้ก็จะเดินทางไปเยี่ยมญาติกันในร่วมร่วมดินเนอร์กับพ่อแม่พี่น้องอเขาก็เออ่ถ้าเกิดคนทํางานเป็นครูอะค่ะหยุดวันนี้แล้วค่ะท่านอาจารย์เขาก็เริ่มกันวันนี้ล่ะตอนที่เราอยู่ที่นั่นครูอาจารย์บงอาจารย์บางรูปเขารู้ว่าเรา คนต่างชาติไม่มีที่ไปก็ถามมีที่ไปไหมวันต่างเียวงไปไปฉลองเราเราก็ที่บ้านเราก็ได้นะก็เชิญไปก็ได้เขาก็เมตตานีา่ยนะเมตาเาเมตาอาจารย์ลูกก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้นี่ค่ะก็ไม่มีไม่มีใครเชิญนอนะเราเป็นคนต่างชาติไม่มีใครเชิญนนะอนคือคือ ก, ก็ไม่อยากเข้าไปแบบร่วมเพราะว่าเขาจะได้อยู่กันเป็นครอบครัวค่ะท่านอาจารย์คือก็มีคนคนหนึ่งก็ บอกอยู่ก็อยู่ท่คานีภาก่อนสมัยก่อนน่า จ, จะไม่เหมือนสมัยนี้สมัยก่อนคนยังที่นั่นยังมีใจกว้างพอสมควรหนูเมย์เราเนี้เวลาบางทีมีเทศกาลคิดมากเลยเขาก็ชวนเราไปฉลองเขาที่บ้านค่ะค่ะกก็มอีอยู่นี้ยุ่นี้ไม่ค่อยมีแล้วมัางตัวใครตัวมันส่วนใหญ่หนูก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะช่วง พ่อมันมันเกิดช่วงควิดหรือปา่เาเะเือเราไม่มีสังคมอยางเงราไม่ได้ทบปากใครเราเป็นแม่บ้านอยู่บ้านเนี่ยค่ะ<ม><ม>ก็เดวิดเขาก็มีอะค่ะสมัยก่อนก็เพื่อนรุ่งงานนะคะ่ะ<ม>เขาก็ชวน<ม>ชวนไปที่บ้านเา้าเออแล้วก็เตอร์กี้อะค่ะอก็<ม>เขาก็หันเตอร์กี้แล้วก็คุกเตอร์กี้แล้วก็อก็ดีค่ะก็สนุก ด, ดีก็ถือก็เข้าร่วมกับเขาเป็นพิธีอะค่ะถ้าอาจารย์ อาอยู่ที่นี่ก็มันเป็นเมืองเล็กๆค่ะท่านอาจารย์เขาก็เราก็มีความรู้สึว่เออเขาก็คือคือถ้าเกิดแบบสมัยก่อนคือก็ชวนเพื่อนเพื่อนเพื่อ น, อ น, อนใช่ไหมคะแล้วก็มาชุมนุมกันคือเขาไม่ได้แบบเ อ, อ่อเป็นครอบครัวตอนนี้คือเขาเป็นครอบครัวกัน น, นคะคะที่นี่อค่ะส่วนใหญ่ก็จะแบบเนลักษณะครอบครัวเยอะอยู่ค่ะท่านอาจารย์โอเคนะฮะเป็น t h a n k s g i นะมันมีความสุขมากๆนะท่านอาจารย์ ค่ะก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงค่ะที่เป็นผู้ให้มัติหนุนค่ะท่านอาจารย์สาธุสาธุค่ะคุณมณิกาดาราที่ว่าเป็ยังไงสบายดีเหรอสบายดีค่ะอาจารย์ค่อนสบายดีเจ้าคุณพระอาจารแต่ว่าตอนนี้ฝนตกทุกวันเลยค่ะพระอาจารยวันนี้ก็เรื่องของฝนเน่ะมันเป็นลณาตาเราไม่มันตกก็ห้ามมันไม่ได้ใช่หมใช่ค่ะอ่า ก็อย่าไปทุกร้อนกับมันอยู่กับมันไปตกก็ตบเปรียบก็เปรียบท่วมก็ท่วมแล้ววันนี้ไม่มีคําถามนะคะอาจารย์จะมาร่วมพันธ์กันโอเคนะสาธุอันนี้แม่แม่ลูกเข้ามาด้วยนี่บัวมาแล้วเดชะญามาไหมคะวันนี้มามาเนี่ยลังเรียกตัวเขาอยู่เนี่ยเดชะากับอะไรนะคุณน่าเชื่ออะไรเรื่มั อุษาใชหมอุษาค่ะอะไรเหายไปหลายอาทิตย์ป่วยป่วยมากๆเลยค่ะป่วยใจหรือป่วยกายเออป่วยป่วยป่วยกายค่ะแต่ก็กายก็ป่วยไปด้วยใช่ค่ะอาจารย์เป็นเป็นหนักเลยค่ะแบบว่ามัน คุณหมอให้ต้องให้พักเสียงค่ะพระอาจารย์เพราะว่าน่าจะใช้เสียงมากเกินไปจนมันแดงจนมันอักเสบค่ะพระอาจารย์แล้วก็อืร้อนร้อนทั้งมันก็กลายเป็นว่าปวดกล้ามเนื้อเหมือนไข้หวัดใหญ่อะค่ะแล้วก็เพลียมากถ้าได้ก็เลยเข้าซูมไม่ได้คือถ้าหลับตาปุ๊บมันหลับหายไปเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะไม่เห็นเข้ามาแวบๆที่ เ, เข้ามาแล้วก็หายไปไม่ไหวค่ะพระอาจารย์มันมันสลึนสลือค่ะอืมไม่เป็นไร เข้าได้ก็เข้าเข้าไม่ได้ก็พักพักไปก่อนอ่าพี่พี่ยศค่ะพี่คุณยศสวัสดีค่ะฝากมากับพระอาวุโสค่ะเดี๋ยวอ่ารอบหน้าเดี๋ยวที่ยศจะพยายามหาวันว่างทุกวั น, วนแบบพยายามเคลียร์คิวให้ว่างทุกวันทุธแล้วค่อยเข้ามาค่ะอ่าเชิญพ่อแม่มีอะไรหรเปล่าในวัฒนการข้าวอาจารย์เอโยมสงสัยอยู่ข้อหนึ่งค่ะอาจารย์ คือขณะที่เราดูอาการเคลื่อนไหวของร่างกายใช่ไหมคะแล้วเราเป็นผู้ดูแต่ยมก็สงสัยแวบขึ้นมาว่าแล้วใครเป็นคนสั่งงานก็สังขารเนียนามนามขันอยู่ในตัวผู้ดูนะผู้ดูกุใจแล้วใจก็มีสังขารเวตนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยค่อเป็นเครื่องมือเครื่องมือของใจคือมันตกแต่งแล้วเรียกว่าสังขาร ครับคะเพราะวันนั้นวีผมเสร็จก็ดูว่าตัวเองหวีผมอยู่แต่ว่าเอ๊แล้วใครเป็นคนสั่ง<ม>ก็สับสนนะคะอาจารย์ก็เลยใจไมเสียเาใจเป็นคนสั่งใจเป็นนายร่างกายเป็นบา่าวแล้วว่าวันก่อนโยมไปลองเดินรอบสนามดูว่ามันจะไหวเต็มที่เท่าไหร่นะคะโยมเดินอยู่ได้ยี่สิบรอบะคะ่ะอาจารย์<ม>ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่ง<ม>ก็เดินไปจนกระทั่งรอบที่สิบแปดสิบเก้านะคะ เหมือนกับว่าเขาเดินช้าลงแต่ว่าจังหวะเท้าก็ยังสม่ำเสมอลมหายใจก็ยังเป็นปกติก็มันมีแวบขึ้นมาเหนื่อยแล้วจีสงสารอาจารย์แต่ก็เอ้ยเขาเหนื่อยแต่เราไม่เหนื่อยก็เลยเดินต่อก็เลยหยุดแค่ยี่สิบรอบค่ะอาจารย์เดินนั่งเดินแบบมีสตินะอย่าใจลอยไม่หาเดินเดินดูเขาเดินเหมือนกับเราเป็นผู้ขั้งแรกที่บอกอาจารย์ว่าเดินครั้งแรกติดรอบ แล้วก็เรารู้ว่าไอแล้วเราเป็นใครแล้วเราเป็นผู้ดูใช่ไหมคะเป็นผู้รู้คราวนี้เราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเราจะเป็นคนดูเป็นคนคนดูร่างกายที่เคลื่อนไหวอะคะ่ะ<ม>ก็จะดูแบบนั้นแล้วอยากจะรู้ว่าเขาเต็มที่ได้เท่าไหร่ก็เดินไปชั่วโมงครึ่งค่ะอาจารย์แต่โยมก็เลยเอาแค่ชั่วโมงครึ่งแต่เราก็รู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองเหมือนก็เราเป็นคนดูอ่ะ ค, ะคะ่ะอาจารย์ น, นี้วใจว่าใจเบาขึ้นไหมเวลาเดินเย่อย เบาค่ะจานไม่รู้สึกว่าเมื่อยหรือเหนื่อยกลับมาบอกสามีถามว่าเธอเดินกี่รอบบอกว่าเดินยี่สิบยี่สิบรอบแล้วก็ชั่วโมงครึ่งก็ถามว่าไม่เมื่อยหรอก็ไม่นะคะไม่มีการหายใจเหนื่อยหรือเมื่อยกล้ามเนื้ออะไรมันเดินเบาๆค่ะจาย์เบาๆเดินเบาๆชั่วโมงครึ่งนี้มันต้องอย่างน้อหกกิโลนี่เนี่ยประมาณโยมก็ไม่ทราบว่ากี่กิโลค่ะแต่รู้ว่ายี่สิบรอบรอบต่างกันปกติตามการเมื่อการาอยู่บนเขาเดินลงมานี่ สามกิโลขึ้นประมาณสี่ิห้าทีคับคือโยมให้เดินแบบเดินจังหวะสม่าเสมอไม่เร่งค่ะเดินดูว่าเขาเดินยังไงแต่พอรอบสิบแปดสิบเก้ารู้สึกว่าเหมือนกับเดินช้าลงตัวเบาช้าลงค่ะแบบนั้นนะคะแต่ก็ก็ดีอันนี้ได้อยู่ใช่ไหมคะโยมแค่อยากจะรู้ว่ามันเดินเต็มที่ได้เท่าไหร่ก็เลยเทดลอง น, ะ ม, นมันไม่สำคัญวันเดินได้เท่าไหร่สาคัญวันเดินเราสติมีหรือไม่ มากว่าให้ซ้าให้เอาตัวสติเป็นตัวสำคัญก็คือแบบมองเขาเดินเหมือนเราดูเขาเดินอย่างที่เคยบอกอะมันเราดูตุ๊กตาเดินนะคะอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนีู้เฉยพยายามเดินดูดูเขาไปแล้วก็มันจะดึงกลับมาเองเรื่อยๆอนเรื่องนย่าไารเพยายามเดินดูดูเขาไปแล้วก็มันจะดึงกลับเรื่อยๆอะมันไม่คิดเรื่องอื่นอย่าไปคิดอย่าไปวิเคราะห์ดูเฉยเดินูขาไปแมีปัญหาแอเร่อยะนค่ะอย์ไอย่าว ยังสีบแปดอยู่มือเดียวอยู่ค่ะอาจารย์ยังไม่ได้เปลี่ยนเสียดายของดีอย่าไปทิ้งมันเนะแต่มีน้องเขาก็มาชวนพี่ป้าเมื่อไหร่ป้าจะออกจะไปเลี้ยงกันบอกอุย้ยเสียดาย อ, อ่ะก็นึกถึงปฏิกูลของอาหารถึงว่าไม่เสียดายเลยมั้ยออค่ะใช่ใช่กินไปแล้วมันก็ออกมาเป็นหุูจระไปหมดนะมันมีอยู่ช่วงช่วงนี้ทางใต้ฝนตกหนักทุกวันนะคะอาจารย์แล้วก็ ม, มันเหมือนพูมีน้ํามูกพอนั่งสมาธิน้ํามูกมันก็ย้อย โยมก็ปล่อยให้มันย้อยรู้สึกมันสกปรกจังเลยแล้วควรจะให้มันหยุดหรือจะให้มันปล่อยไปตามร่างกายมันนะคะอ๋อเวลาทำสมาธิก็ปล่อยอย่าไปสนใจค่ะมันย้อยค่อยคอย่คอยมาเช็ดที่หลังก็ได้ถ้าไปสนใจค่อยค่อยไปเช็ดมันก็มันก็เสียสมาธิหมดนะใช่ค่ะโยมปล่อยให้เขาย้อยย้อยจนรู้สึกว่ามันสกปรกจังจังค่ะความจริงเดือนหน้าโยมแพลนเอาไว้ว่าจะไปแต่ว่าพอฝนตกหนักนี้ก็ต้องยกเลิกก่อนนะคะ มันไม่เกี่ยวนะที่นี้มันไม่ตกขึ้นมาสนามบินเขาเอ่อเครื่องบินเขาหยุดบางบางไายอะค่ะโยมก็ใช่ค่ะโยมก็เลยว่างั้นโยมค่อยไปมอกลาดีกว่าอาจารย์โอเคตามสบายรถไฟก็ตอนนี้น้ำท่วมถนนเลยค่ะอาจารย์เมก็เลยต้องเปลี่ยนค่ะกะว่าจะไปอ๋อนงที่บ้านก็ได้ใช่ค่ะ ว่าจะไปธนวาตอนนั้นเทศนาภุติสี่วันติดถ้าอยากจะไปตรงนั้นก็ดีแต่พอมันเป็นมาเจอตอนนี้ฝนตกหนักเลยค่ะอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์มากมากแม่ค้าสาธุสาธุค่ ะ, ะคุณเอกเชียงรายเชิญคุณเอกอย่างเนสัตเชียร์ว่าดวงวันพระการนมันสการพระอาจารย์ครับก็เป็นยนีย้ออกออกันสามไ ม, ไม่ได้ทํ า, รารครับอาจารย์ทำเนี้ยนะ าก็แต่ก็วันภาคก็ถือสิ้นสิ้แปดอยู่ด้วยกันครับพระอาจารย์ครับยังก็ยังปฏิบัติอยู่วันเดิปฏิบัติอยู่เหมือนเดิมทุกวันครับพระอาจารย์ครับอืครับผมแล้วคลิบหน้าหรือไม่ก็มันมีความสงบขึ้นเยอะอยู่ครับพระอาจารย์ครับครับผมแล้วก็เจริญสติประจําวันอยู่ครับอาจารย์พุทโธพุทโธลองสังขารหน่อยไดยัง ความแก่ครับเจ็บความตายก็พิจาราอยู่ครับอาจารย์แต่ว่ามันยังไม่ถึงที่ว่ามันปล่อยอยู่ครับอาจารย์ก็พิจารณาอยู่เรื่อยๆครับยังกลัวโรคภายแค่เจ็บอยู่กลัวโรคมะไรอยู่อ่ก็มันมันยังไม่มีมาทดสอบครับอาจารย์แต่ว่าไอ้ไอ้เจ็บเจ็บร่างกายเจ็บอะไรพวกนี้มันเจ็บเป็นประจําอยู่แล้วฮะพรอาจารย์เจ็บไหลเจ็บขาเจ็บอะไรพวกนี้มันก็เจ็บอยู่กับมันอยู่แล้วอะครับอาจารย์ก็อยู่กับมันอยู่ครับอื ถ้าไปไหวจริงๆก็ก็ก็มีมีนวดมีอะไรบ้างครับอาจารย์ยืดเส้นยืดอะไรบ้างนะครับอพยายามทําข้อสอบสองข้อนนี้ความเจ็บกับความตายเนี่มันมันจะต้องอราจะต้องเจอมันไม่ช้ากันเลยนะครับครับผมครับผมก็ครับผมพิจารณาอยู่อยู่ทุกวันนะครับอาจารย์ครับพิจนาอยู่ดีด้วยครับพิจารณาแล้วต้องดูใจว่าเราเราทุกข์กับมันหรือเปล่าเรารับมันได้บ้างโอ้ครับผมครับผมได้ครับอาจารย์ครับ อืลงรับไม่ได้ต้องเฉยถ้ายินดีตอนรับมาแล้วเหราปลุณอยู่ตรงหน้าครับผมเพราะทุกวันพี่นาอยู่ครับว่ามันจะต้องตายสักวันหนึ่งแต่ก็ไม่รู้วันไหนก็ก็รีบหยุ่มกันแล้วพระอาจารย์จะต้องเจ็บสักวันหนึ่งจะต้องตายพวกวันหนึ่งครับพวกมีเหตุการณ์แบบเมันเหมือนกับเออสัปดาห์ก่อนนะที่แผ่นดินไหวครับอาจารย์ แล้วมาหวนมาคิดดูตัวเองว่าเออนี่คนเรามันมันตายมันแค่แป๊บเดียวมันก็ตายได้เกิดล้มไปอะไรไปเงี้ยครับในช่วงที่ะดินไหวที่าคมับพระอาจารย์หายใจเข้าไมา่หายใจออกก็ตายคนระครับผมครับผมใช่ครับอาจารย์ครับเพราะตอนนี้ก็ฝึกฝึกก็ฝึกอนาประสติก็ลมมันหายไปมันก็เงียบไปพระอาจารย์มันก็มันก็สุขอยู่ครับอาจารย์ฝึกตายนะต้องฝึกตายก่อนตายนะท่านตายาก่อนตายท่านเจ็บก่อนเจบ็บ ครับผมครับผมครับค้างไม่ก่อนเหมือนฐานต้องคอยส้างลบอยู่เรืยๆใช่ไหมครับครับครับผมก็พิจนาหลังจะออกสมาธิตอนเช้ากบพี่นาเออที่ที่น้องเขาสวดไปฮะเรามีความแกลียดไม่ธรรมดาปัจเจกครับก็พิจนาอยู่ครับแล้วก็อรูปพีจนาการ32ไปด้วยครับอาจารย์เด <syllables. S 1> ี๋ยว like นี้ก็เดี๋ยวนี้ มันมีความรู้สึกว่าเวลามองผู้หญิงมองอะไรก็คือมันทะลุปไปถึงกระดูกครับอาจารย์อก็เออก็ดูว่าเออมันก็แค่นั้นนะดูหนังผ่านไปนก็เป็นกระเป๋าหนังใบนึ่งกระเป๋าหนังแล้วก็มีเอาไว้เอาไว้ว่าใส่เข้าไปในกระเป๋านี่แล้วก็หิ้วไปมาหิ้วไปไหนมา ไ, ไห น, า น, านครับผมครับก็บางทีนั่งสมาธิไปมันเจ็บก็พิจารณาก็เอาออกไปทีละชิ้นละชิ้นมาดูมันดูไปอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับครับม ก็ก็มีภาพมันจริงภาพที่เออหนังสืออักษภาพของของลุงตาฮะที่มันจําติดตาอยู่ครับอาจารย์ที่ที่ถอดถอดหนังออกมาแล้วถือถืออ่วิญีายครับอาจารย์ที่มันจะมีอยู่ภาพเนี่ยผมก็จําติดตาอยู่ค่าติดติดอยว่าคิดพิจารณาอยู่ครับที่ดึงดึงหนังออกมาแล้วถือถือหนังโชว์เนี่ยครับก็ก็ยังมีติดตาไว้อยู่ครับอาจารย์ครับ เขาพี่นาะอยู่ทุกวันครับอาจารย์หลังจากออกสมาธิครับอาจารย์มีครอบครัวเปล่าก็เป็นโสดอ๋อผมมีครอบครัวแล้วครับอาจารย์ครับารแล้วทางภรรยาก็ไม่สนใจปฏิบัติ่ากนะก็ผมผมก็ก็พูดอยู่ครับก็พูดก็เปาะอยู่ะแต่นางก็ยังอยู่ขั้นทานอยู่ครับอาจารย์ที่จะทําทานทำแบบชาจโรย์ดูนด да ูละครอย่นะครับผม ชอชอบดูละครพอดี ừ, ผมก็มีมีแบบว่าเอที่ดูทำใหม่ละครจะดูทำใหม่แต่แต่แต่เขาก็ไม่ได้เขาก็ส่งเสริมนะครับอาจารย์ก็ส่งเสริม <ừ. S 2> ว่เวลาผมจะไปที่ไหนก็ส่งเสริมนะครัก็เลก็เลยทางกายทางมาันก็แล้วกันครับผมเพาะว่ามันผมก็ยังบน่บนว่า้ไม่ได้ออกไปปิดเวรกนานแล้วนะเนี่ยช่วงเนี้ยงานบอกดีก่อนดี๋ยก่อนก็ดูผมก็ดูอยู่ครับ อันนี้ก็ดูว่าอจะไปวิเวกที่ไหนอยู่ก็มีพระอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของเอหลวงปู่ชาท่านมาอยู่ใกล้ๆนะฮะแต่ว่าตอนนี้แกเ อ, อท่านท่านกลับไปที่สาลอยู่ครับอือก็ไม่ห่างก็ประมาณสิบกิโลฮะเป็นเมื่อก่อนท่านก็ดํารองตําแหน่งเป็นรองของหลวงปู่ชาครับหลังจากหลวงปู่ชาเสียชีวิตแล้วท่านก็เออเขาจะให้ท่านเป็นเจ้าวาดท่านก็ไม่อยู่แล้วก็ออกจากวัดนะฮะปีวิเวก ค, ครับ<ป><ป> ครับผมก็เคยหานประวัติท่านอยู่เหมือนกันแต่เดียย๋ยวมีโอกาสจะไปกราบไหว้ท่านนะครับนี่มีครับมีโอกาสได้กราบพระสัมมาสัมพเป็นมงคลอย่างยิ่งครับผมก็ที่ที่ท่านอยู่ก็เป็นวัดเป็นวัดล้างวัดเกา่าของท่านอยู่รูปเดียวคนะเพราะว่ากะว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปขอปีกพิเศษอยู่กับท่านสักสองสามคืนนี้นครับอาจารย์ครับก็ตันะ้งเป้าไว้อยู่กับอาจารย์รอท่านกลับมาอยู่อ่โอเคครับผมตามไปนะครับผม กับพรวงพระอาจารย์ยังสูงครับผมบทท้าทายพระอาจารย์เหงไรครับผมรักษาทุกข์ครับแต่ที่คุณหมอภาสนาเคยคุณหมออ่าอนน้ำมันสักการค่ะพระอาจารย์ค่ะก็วันนี้ก็เพิ่งกลับมาจากประชุมก็พอเลือกแล้วก็บอกเลยว่าวันนี้คือกลับมาก่อนเลยคะพระอาจารย์เพราะว่าเราทําหน้าที่เดี๋ยวพอปีหน้าก็หมดเวาลาแล้วพระอาจารย์แต่ที่สําคัญคือวันรักษาความสงบของใจไว้ได้แล้วก็ไม่จัดการกับอะไรเราถือช่วยเท้าซีเขาให้ช่วยพระอาจารย์ รู้สึกดีเลยค่ะพระอาจารย์ได้ประงบได้ในห้องประชุมค่ะพระอาจารย์ mm hmm. พระอาจารย์คะแล้วพอดีฟังพระอาจารย์วันเสาร์กับวันอังคารที่เป็น zoom ม, มีพิซซูนีท่านถามเรื่อง over confidence ใี่ไที่ทําำแล้วจะปทํายังไงคือวพระอาจารย์ก็ตอบนี่ก็คือหมายถึงว่าถ้าเราใช้ดั่สติปัญญาอยู่เนี่ยแล้วมันมันทําไปเรื่อยแล้วยังไม่มีคามํากระเพื่มเนี่ยถือว่ามันก็คือโอเคใช่ไหมที่พระอาจารย์ตอบมันคือตรงนี้ใช่ไหมคะเห็นเห็นที่พระอาจารย์ตอบคําถามเนี้ย ก็ไม่ได้นะแต่ก็ท่านถามว่าท่านถามว่าทําไปนี่เพราะท่านเป็นภิกษุณีมาที่มากับพระที่อยู่บนเขาชีโอนนะแล้วก็ท่านถามพระอาจารย์ว่าเออท่านทําเองไม่มีครัวตาแล้วซับคือท่านท่านบอกว่าเขากลัวว่าทําแล้วโอเวอร์คอนฟิเดนซ์คือหมายถึงว่าคิดว่าตัวเองทําถูกทางไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วพระอาจารย์ก็ตอบว่าให้ดูว่าท่ามันหลับกันไหมก็ดูใจมันหับนะถ้าใจไม่ทุกข์กับอะไรก็ถูกทางถูกทางก็ยังใส่ดับ สติปัญญาเราไปไปเรื่อยๆใช่หมคะอาจารย์ทำให้ถูกทางไปเรื่อยๆตัดความอยากไปเรื่อยๆเรื่อยๆใช่หมคะก็ดูดูใจมันทุกข์กับอะไรหรือเปล่าทุกข์กับทุกข์กับพความอยากได้ค่ะอาจารย์ยังทำต่อแล้วคะอาจารย์ยังทำสม่าเสมอคะอ่ะไม่มีวันถอบ <c oughs> รู้สุกว่าใจงสงบมากคะ่ะดีจ้ะวุ่นแล้วใช่ไหมวแล้วค่ะพระอาจารย์ อะไรที่คุณสุภาพนาต่อวอลวินเสียงไม่เข้ายังไม่เปิดเสียงเลยเปิดใหม่ก่อนอามาว่ามาพูดได้แนละ้วกล่าวมาสการพระอาจารย์นะค่ะอ่าพูดได้ได้ยงียบความคิดนะคะเออเมือม่อเมื่อวันพระที่ผ่านมาโยมก็ไม่มีความรู้สึกว่าเวลานั่งสมาธิต้องไม่สงบก็ที่พระอาจารย์ตอบโยม ที่ที่ที่น่ากุติเจ้าค่ะว่าเกิดจากความอยากอันนี้โยมก็เห็น ต, ตัวเองขึ้นมาว่าเป็นเพราะความอยากให้สงบ<ม>ตอนนี้ก็พยายามนั่งโดยโดยให้มันสงบเองเจ้าคะ<ม>่ะไม่ไม่ไปบังคับมันต้องมีสติต้องบังคับด้วยที่สติต้องอย่าให้เผลอเจ้เาค่ะส่วนจะสงบไม่สงบนี่เราบังคับไม่ได้แต่เราบังคับเหตุคือสติได้ต้องพยายามบังคับ สติอย่าให้ใจลอยไปที่อื่นนะคะแล้วอย่างที่อย่างที่เออ่เหมือนเรารู้เรารู้ว่าในในเวลาเราเรเานั่งสมาธิเนี่ยมันมีอาการอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรามีสติใช่ไหมเจ้าขาอาจารย์ก็ถูกมีสติมันถ้าไม่มีสติมันก็ไม่รู้แต่ท่านดูถ้านั่งสมาธิก็ไม่ต้องไปสนใจกับสิ่งที่มามาปรากฏให้รู้ มันจะทำให้เราเสียสมาธินนเราต้องอยู่กับพุทธโธและอยู่กับลมของเราไปเรื่อยๆเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนี้อันนี้เข้าใจหลักตรงนี้มากขึ้นเจ้าค่ะเอออย่าอย่าเพลออย่าอย่าลอยไปกับสิ่งที่มาให้รารับรู้ตอนนี้เราไม่ต้องการจะรู้อะไรต้องการจะรู้อยู่กับลมและอยู่กับพุทธโธอย่างเดียวเพื่อจะได้ดึงใจให้เข้าสู่ความสงบให้ได้แต่เรื่องอย่าง่นนี้ต้องขั้นปัญญาถ้าขั้นปัญญาเราดูดู อะไรมาก็พิจารณาเป็นตายรักไปเจ้าค่ะเจ้าค่ะตอนนี้ก็เจ้าค่ะเข้าใจหลักตรงนี้ว่าคืนเจ้าค่ะพยายามพยายามทําอยู่เจ้าค่ ะ, ะอาจารย์อล้วทําสมาธิอย่าไม่รู้อะไรอย่าไม่สนใจการอะไรให้ที่มาโผลให้รู้ให้รู้อยู่กับโนมรู้อยู่กับพุโทโธแล้วแต่เราจะกําหนดอารมณ์ไหนก็อ ย, อยู่กับอารมณ์มนั้นไปเจ้าค่ะน้อมนําไปปฏิบัติเจ้าค่ะพระอาจารย์ อ่าบินจาพอถึเงเมืองไทยอยัางจะ า, า, าสาวนร์วัชการค่ะพระจัจาร์ถึงแล้วค่ะถึงแล้วเลยถึงเมื่อไหร่ถึงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้ค่ะเมือ่อสองวันที่แล้วอตอนนี้ค่ะเจ็ดแลกพอสมควรอีกกี่ชั่วโมงบินจ่าสิบเก้าชั่วโมงโอ้ยี่สิบสี่เลยค่ะที <24 S 2> <24 S 1> ่เรายี้สี่ชั่วโมงวันที่ไหนบ่ะ ว่าแพะฮ่องกงค่ะจากพอร์ตแลนด์ไปลง l อเอแล้วก็เอเอฮ่องกงแล้วก็ฮ่องกงมาไทยของ United, องุตสาการมินได้ของคาเท่ค่ะคาเท่ปรสิทิพระอาจารย์คะวันนี้หนูมีคำถามอยู่สองคำถามค่ะอันแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำทานคือถ้าสมมติว่ามีคนที่ติดเงินเราแล้วเขาก็ คืนเงินในที่สุดแต่เรารู้ว่าเขาก็ค่อนข้างขัดสนเราก็เลยบอกเขาว่าไม่เป็นไรไม่ไม่ต้องคืนหรอกให้ให้เขาเก็บไว้ถ้าทําแบบนี้มันมีค่าเท่ากันกับการที่ถ้าเรารับเงินนั้นมาแล้วเรา เ, าเอาเงินนี้ไปทําบุญที่อื่นต่อถูกไหมคะเพราะมันคือเงินจานวนที่เท่ากันใช่คือตามได้เราไม่ได้เอาเก็บไว้เป็นของเราเราก็ถือ ว, ว่าเราได้ทําบุญไปแล้ว โอเคค่ะไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะต้องทําที่ไหนกับใครอะไรได้นะทำกับใครก็ได้เอาหมายของเราคือต้องการปล่อยวางเงินเท่าที่เรามีอยูนี้ทีนี้อีกคํำถามหนึ่งคือหนูคุยกับเพื่อนเรื่องการเหมือนสร้างวาดัดสร้างพระอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็เพื่อนหนูก็บอกว่า การที่พอเวลาที่เราร่วมบริจาคเงินสร้างวัดขึ้นมาเนี่ยมันเลยทําให้เหมือนเป็นสถานที่ที่ทําให้ผู้คนนะ่ะได้มาทําบุญเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งที่คนเขามาทําบุญกับไหว้พระที่เราร่วมสร้างเนี่ยมันก็เหมือนกับทําให้เราได้บุญไปด้วยอันนี้เป็นเรื่องจริงไหมคะรย์ไม่เ ร, <laughs> เราได้บุญตั้งแต่ตอนที่เราบริจาคไปแล้วได้คนเดียวโอเคค่ะหนูก็เข้าใจแบบนั้นตอนแรกหนูก็บอกเขาว่ามันจะอย่างนี้ทําแค่สิบบาทครั้งเดียวแล้วก็ หนูก็เก็บแต้มตลอดอย่างนี้เหรอมันก็ดูแบบไม่ใช่หรอกคนละเรื่องนะแต่ประโยชน์ที่อยากการสร้างสร้างวัดมันก็ทําให้คนมาใช้ประโยชน์ได้ไปเรื่อยๆแต่ตัวุนําเราไม่ได้บุญคนที่มาใช้ได้บุญคนที่มาใช้วัดสถานที่ปฏิบัติธรรมก็มาภาวนาอืมโอเคใช่อ่ะจะมั่นใจว่าหนูเข้าใจถูกแล้วทางนี้เรื่องอืม ค่าทวีเท่านี้ค่ะพัดจานสาขาของผมจะอยู่นานเท่าไหร่หนูอยู่ถึงมกลาประมาณกลางกางมกลาค่ะก็คุยกับพี่สาวแล้วเริ่มดูตารางว่าเมื่อไหร่จะไปเมื่อไหร่จะไปหาพัดจานไปบ้านอยู่เทือกค่ะคอนโดพี่สาวใช่ค่ะพี่สาวทํางานอ่าเป็นหมออยู่ศิรีสลาดค่ะแล้วก็มีแล้วก็อยู่คอนโดใกล้ใกล้ซีนีส์ลาดโอเคก็ยังพอเวลาต่อนะ ก็พยายามค่ะแต่ว่าอย่างตอนที่มาถึงนี่วันจันทร์ก็เหนื่อยก็ไม่ได้นั่งแล้วก็เมื่อวานนี้นั่งไปได้แค่วันมันครึ่งชั่วโมงแล้วก็ง่วงแล้วก็เอวันนี้เกเรวันนี้คือรู้สึกอยากทํางานอีกแล้วหนูแบบหนูทําไม่หนูไม่รู้เป็นอะไรกับเรื่องงานหนูแบบออกแนวบ้างงานเล็กๆค่ะ ก, <c oughs> <c oughs> ก็แบบถ้าต้องเลือกระหว่างเนี่ยวันจริงๆหนูกลับมาหนู<ต>ได้นังสือแบ่งเวลาให้มันเหมาะสมงานก็ทํา ตอนานก็ทำค่ะก็คือเหมือนหนูเคยคุยถามพระอาจารย์เรื่องนี้แล้วพระอาจารย์ก็บอกว่าทำให้เหมือนกินข้าวคือเราก็แค่รู้ว่าเราต้องกินก็กินอยากไม่อยากไม่เกี่ยวก็ทำไปอะไรหนูก็แพร่ยาวยาไม่เป็นป็นิสัยพอถึงเวลาันูจะได้ทำได้ได้ง่ายค่ะหรือว่าหนังสืออ่ามหาเศรษฐีที่แท้จริงแล้วก็มีส่วนที่ พูดถึงว่าพระอาจารย์อยากจะนั่งแบบพอมีเวลาว่างก็อยากที่จะหาเวลาอยากที่จะหาเวลาว่างเพื่อที่จะได้มาปฏิบัติทีนี้หนูก็รู้สึกว่าแบบงั้นถ้าอย่างนี้ตัวหนูซึ่งไม่ได้มีความรู้สึกอยากจะปฏิบัติขนาดนั้นแสดงว่ามันคือเหมือนเรายังสะสมมาไม่พอถูกไหมคะพระอาจารย์คือเรายังไม่ได้สั ม, สมผัสกับผมที่ก่อจัดการปฏิบัติถ้าได้สัมผัสแล้วมันก็ไม่อยากจะทําอย่างอื่นแล้วมันอยากจะปฏิบัติอย่างเดียว ออืเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ได้สัมผัสก็คือณนะตอนนี้ที่ยังไม่ได้มีความอยากที่จะทำก็ต้องอาศัยอุบายว่าก็ทําไปตามหน้าที่ว่าเหมือนทัดข้าวเหมืนจะทําค่ะเข้าใจล้วค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์ทำให้ทาผลก็จะไมไ่เกิด ต, ต้องพยายามทําให้ว่าว่าทําให้การบ่อยอโอเคนะอ่ขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะขอพระอาจารย์ค่าธรรมกำลัง คุณโอพีเคภูเก็ตอยู่แถวนี้ภูก็ตอยู่ป่าตองไมอยู่ไม่อยู่ในเมืองการนมัสการพอาจารย์เจ้าค่ะอาจารย์ตอนนี้อยู่ประจวบเจ้าค่ะอ๋อประจวบแต่บ้านเมอยู่ภูเก็ตเลยกลางหนึ่งคืนปทมเจ้าค่ะอาจารย์แต่บ้านอยู่ที่ไหนอยู่ภูเก็ตบ้อยู่น่านเจ้าค่ะอ๋ออยู่นานแต่ว่าขับจากเป็นขับรถจากภูเก็ตมาแล้วก็มาพักที่ประจวบก่อนหนึ่งคืนเจ้าค่ะอาจารย์ไปทำอะไรที่ภูเก็ต บ้านแฟนอยู่ภูเก็ตเจ้าค่ะพอาจารย์ก็คือวันนี้โอจะลับจไปอ่าจะขึ้นน่านเจ้าค่ะไม่ภูเก็ตอยู่ที่ไหนแบ้านอยู่ตรงไหนเห็นนะคะเลยนะเจ้าค่ะอาจารย์ขอโเจ้าแม่ภูเก็ตเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่อำเภอหรืออยู่บ้านอยู่ตรงไหนพระอาจารย์ท่นมืออยู่ในอ่พระอาจารย์มีมีพี่อ่ากับคุณป้า ไม่แน่ใจว่าพระอาจารย์จําได้ไมัจ้าคะพี่เล็กกับป้าติ๋งที่แบบสองพี่น้องเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ที่อยู่ภุกเกต็ตที่ขายจิวเวลรี่เจ้าคะ่ะอ่าใช่ก็ามาใส่บาตรเป็นประจำอยู่้็ค่ะรู้จักกันเจ้าค่ะพระอาจารย์อยู่อยู่ใกล้กันอ่า<ม>ไปเจอกันที่วัดประจําค<ม>่ะแต่ว่าช่วงนี้เหมือนกับว่าพี่เขากลับมาเปิดนารเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ก็เลยจะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่เจ้าค่ะเฉลิมฝันจะเจอกันบ่อยเจ้าค่ะไอฝากพี่เขาไปร่วมทาบุญกับพระอาจารย์เจ้า น่าดีมีอะไรไหมวันนี้อ่าทีนี้มีอยู่หนึ่งคำถามเจ้าขาพระจ่าอยากขอโอกาสถามทุกในอายาศัตรีกับทุกในไตรักให้เจ้าขาพระจ่าอันเดียวเดียวกันทุกในไตรักก็อยากให้ของที่ไม่เที่ยงมันเที่ยงเช่นอยากให้ร่างกายไม่ตายไม่ไเจ็บมันก็เลยทําให้ทุกทุกที่เกิดจากความอยา คนเดียวกันแต่ทุกเวทนากับทุกทุกในในอริยาาสัจสี่คนเราทุกกันอริยสัจสีทุกใจทุกเวทนาทุกกายนะ mm hmm. ผิวข้าวเนี่ยทุกกายใช่ไหมพอผิวข้าวใจก็เลยใจก็เราทุกไปด้วยว่าอยากจะให้อยากจะให้มันอิ่มไม่อยากให้มันหิว ถ้าฝึ ก, กจิตก็เมื่อมันยังไม่ได้กินมันจะหิวก็ใจก็เฉยเฉยไว้ไม่ได้องไปทุกกับมันก็ยังไม่ทุกข์ ท, กทางใจก็ยังไม่เกิดถ้าปฏิบัติธรรมถ้ามีสติมีปัญญาก็ดับความทุกข์ทางใจได้ให้ให้มีแต่ทุกข์ทางกายที่ดับไม่ได้ข้อหนึ่งผลของตายรักข้อหนึ่งก่อนเหมันเป็ น, นอนัตตาเข้าใ <Okay. S 1> จ, จไหม okay. ก็ใจจะาของใจจานทุกทางใจกับทุกทางร่างกายอพอละอ่านกันเจ้ากับแต่มักจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันเกิดตาเป็นมาพอทุกกายป้อใจก็ทุกไปเลยพอไปหามหมอหมออกเป็นมาหลงใจเป็นใจก็ยิ่งทุกข์ไปใหญ่เนะแต่ถ้าฝึกจิตสอนจิตให้เตรียมตัวแล้วบอโกโรคภยัยไข้เจ็บพอเป็นใจก็ไม่ทุกทุกแต่ร่างกายเป็นส่วนเดียว อาจารย์าาเอว่าอาจารย์มีทขแข็งแรงเจ้าฟัอาจารย์จะขออนุญาตออกจากข้าสูงกันนเจ้าเพราะว่าวันี้ไม่ต้องขออนุญาตไม่ต้องขออนุญาตให้เข้าจะออกไม่ขออนุญาตออกไปสนใจพรเสร็จผ่านไปแล้วเราก็ผ่านไปเลยกลัวแบบว่าอยู่ๆก็หายไปจากห้องเรียนาไม่ได้เไม่ไไม่ได้ปสังเกตไปไปสแกนดูใครอยู่ไม่อยู่ มาดูที่คิวของคนที่ยังไม่ได้ถามไม่ได้พูดนะเนี่งคนที่พูดไปแล้วเราไม่ไปสนใจรือยู่อยู่อยู่หรือปล่าอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไม่ไยค่ะคุณผูค่ะค่าคุณผู้ชะขอขอบคุณอย่างสูงจค่ะไปค่ะุณจ้าค่ะคิวต่อไปคุณมาเรยุทากาศตาวหวพ่อค่าอืมวันนี้ก็ ไม่มีคําถามค่ะก็ปฏิบัติทุกวันค่ะดีสาธุอย่าประมาทนอย่าประมาทเป็นเหมือนเต่าทำทุกวันอย่าไปเป็นแบบก็ตายเชด่าโอ้ยตอนนี้เราทํามามากพอแล้วพักถ้าปล่อยก็ได้จะเล่นก่อนไม่ไม่มีทอค่ะโหลวงพ่อก็ไม่มีหยุดค่ะหลวงพอมีมีแต่ว่าเก็บมีมีเล็กมีน้อยพยายามเก็บหมดค่ะอืมเก็บี เวลาที่ที่จะอำนวยได้อัอหมดคัะน้ำเกินให้รีบตักมาโบราณเขาว่าน้ำเกินให้รีบตักมีเวลา ร, รีบตักตรงทำมาให้มากที่สุดอย่าป่อยเวลาผ่ายไปโดยไม่ได้ทำอะไรเป็นประโยชน์แก่จิตใจยิ่งปฏิบัติยิ่งยิ่งเหมือนแบบทีให้เราได้ได้รู้ได้เห็นอะไรในการปฏิบัติขึ้น ตลอดเลยอะค่ะหลวงพ่ อ, อแล้วมันก็มีใจที่ว่าเอ๊ะเหมือนคข้ควรที่นิดพิเคราะห์ดูว่าเออมันมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันมันมีความใฝ่ใจที่ที่จะทํามันไม่ถอยเลยอะค่ะหลวงพ่อมันมีอธิบาศสี่แล้วไงฉันทะความยินดีวิริยะเป็นความเพียรกิตตะและเคใจคจดจอ่อมีมังสาระคิดค่ายควรแต่เรื่องการปฏิบัติ แล้วแล้วเวลาปฏิบัติเดี๋ยวนี้คือไม่ว่าจะมีเสียงรบกวนหรือมีคนเดินเข้าออกเดี๋ยวนี้ยิ่งไม่สนใจเลยค่ะหลวงพ่อสามารถนั่งปฏิบัติได้ค่ะหลวงพ่อก็คืออยู่สงบให้ได้ส ต, ติแล้วดีสติแล้วดีอุเบกขาเราแก่ก้าค่ะหลวงพ่อคือมันยิ่งเห็นแบบเนี้ยมันยิ่งเหมือนมีกําลังใจอ่ะค่ะหลวงพ่อมัน มันมี้ความรู้สึกว่ามันเหมือนมันก้าวเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆ อ, อ, อย่างเงี้ยใช่ใชแล้วก็ถ้าวันวันศุกร์นี้ถ้าไม่ไม่ไม่ไม่มีอะไรติดหนูจะไปเข้าวัดตอนตอนเย็นวันศุกร์เลยเลิก ง, งานแล้วก็รอคนมาดูลูกแล้วก็จะไปวัดเลยค่ะหลวงพ่อไปวัววาแถวไห น, นวัดใกล้ว่าเน่ะวัดแถว ค่ะวัดวัดตรงตรงบางบ่อค่ะวัดวัดหลวงพ่อสงบอ่ะค่ะเคยไปมามเอ่ยไปไปมาแล้วค่ะประมาณครั้งนี้ครั้งที่ข้าค่ะที่ที่เคยบอกว่าไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรเลยอะค่ะหลวงพ่อสงบดีไหมสงบดีไหมดีค่ะหลวงพ่อแล้วก็อยู่แบบเต็มกุดกุดเหมือนในป่าอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่อสุขใจว่าสุขใจใช่ค่ะวัดป่าสุขใจค่ะ รู้สึกมีมีน้องที่อยู่ในในทีมเนี้ยค่ะที่ที่เขาไปไปที่สระบุรีเขาก็เคยไปมาค่ะที่บอกว่าไม่มีไฟอ่ะดีถ้า ม, มีที่ไปก็ดีแน่นอนให้คนอื่นรู้นด้วยเผื่อใครเขาอยากจะไปเราด้วค่ะเห็นเห็นมีน้องในที่เข้ามาเรียนในนี้เห็นมีอยู่คนหนึ่งค่ะเขาก็ไปค่ะแล้วทีเนี้ยหนูพยายามว่าถ้ามีวันหยุด อะไรเงี้ยหนูก็จะไปเข้าวัดไปอยู่วัดจะอยู่ไปปฏิบัติที่ ม, นมนันนี้มั น, นี้เขาต้องให้ทำอะไรบ้างรึเปบ่าคือมีตอนตอนบ่ายสามอะค่ะหลวงพ่อเขาเรียกว่าไปทำอะไรนะคะทาวัดใช่ะะ ไ, ไ่าคะไปบ้านชวนวนไไม่ไม่ใช่ค่ะตอนตอนบ่ายสามต้องไปกวาดไ ป, ไปกวาด ช, ช่วยทำความสะอาดกย น, น ค่ะไปทำความสะอาดแล้วก็พอตอนสักทุก่มทุ่มหนึ่งก็ไปสวดมนต์ค่ะแล้วก็เริ่มมาประมาณสักสองทุ่มก็ปฏิบัติไปเลยแล้วก็ถ้าไม่ได้มีงานอะไรก็ประมาณตีห้าไปทาวัดเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติค่ะอตรงตรงได้ตองมีวัดช้าวัดเย็นอยู่ตอนเช้าก็ตีห้าเสร็จแล้วก็รับประทานอาหารที่ศาลาค่ะ เดี๋ยวแล้วก็ทางวัดเขาจัดให้หรือว่าเราต้องไปซื้อมาทางวัดทางวัดเขามีมีญาติคนที่ทําบุญนะคะหลวงพ่อมาเขาเลยมาถวายตอนเช้าะคะ่นแล้วก็กินมื้อเดียวะค่ะหลวงพ่ฉันพระก็จะฉันมื้อเดียวเราก็กินอาหารจากที่หลือจากพระที่ศาลาใช่ค่ะใช่ค่ะหลวงพ่อพอกินมด้ก็คือ เหลืออก็เหลืออยู่นะคะมีถ้าวันเสาร์อาทิตย์เนี้คนจะมาเยอะหน่อยค่ะพราวันธรรมดาก็ไม่ไม่ค่อยเยอะค่ะหลวงพ่อแต่ว่าเวลาไปอยู่วัดแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ขิวอะไรอะค่ะหลวงพ่อก็เจออยู่ได้ค่ะเหมือนเหมือนตอนที่ไปขึ้นเขานี่ก็บางทีก็แทบกินข้าวกินอาหารน้อยมากแค่ครั้งเดียวเองอยเงี้ยค่ะหลวงพ่อน้อยมากมีกติให้คนมาปฏิบัติได้เยอะมไหมมีมีที่ปฏิบัติเยอะไหม มีมีประมาณยี่สิบกว่าหลังนะคะหลวงพ่อแล้วก็มีพยานยมปฏิบัติเนี่ยเฉพาะผู้หญิงนะคะและ้วคือผู้ชายก็จะแยกไปอีกนะคะหลวงพ่อ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็เยอะเหมือนกันเยอะเยอะกว่าบนเขาค่ะหลวงพ่อ <ๆ S 2> แต่ว่าก็จะมีคนเขามาอยู่เรื่อยๆค่ะเหมือนแบบบางคนอยู่เก้าวันบางคนแล้วแต่อะไรเนี้ยะค่ะแล้วที่กุฏินี่ห่างกันไหม ปุตตินี่ก็มันมันก็พอพอมองเห็นกันได้ค่ะหลวงพ่อแต่ว่าแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนอยู่ในป่าค่ะหลวงพ่อมันจะมองลำไรมืดมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะหลวงพ่อมีทางเดินชมกลมทั่วไปมั้ยมีไหมใช่ค่ะหลวงพ่อเขามีมีทางเดินชงคมค่ะอตอนกลางคืนเห็นจะมีอย่างแม่ชีก็จะมาจุดเทียนแล้วเขาก็จะเดินค่ะหลวงพ่อมันไม่ไม่มีไฟเลยค่ะ พัดลมอะไรก็ไม่มีใช่ค่ะัดใช่ค่ะพัดลมก็ไม่มีค่ะไม่มีมีแต่เตรียมไปฉายอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเปลี่ยนแล้วในปกติมีห้องน้ําในตัวหรือเปล่าเน่ต้องไปใช้ร่วมมีห้องน้ํามีห้องน้ําในในใช่ค่ะหนวงพ่อคืออันเนี้หนูหนูว่ามันดีตรงที่ว่ามันปฏิบัติแบบได้ได้ ได้เต็มที่แต่ว่าแต่ว่ามันจะมาติดตรงที่ว่าถ้าเรานั่งนั่งงานปฏิบัตินานเนี้ยมันมันมีกังวลตรงที่ว่าเดี๋ยวเราจะออกไปไม่ทําเขาอะไรเงี้ยตอนตอนที่ว่าไปทําตอนช่วงบ่ายสามก็จะมีไปกินน้ําปานะแล้วก็ไปทําเวรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็อจะมีอันนี้นิดนึนงนอ่จานั้นก็กลับมาก็ปฏิบัติของใครข อ, <ำ>องเราไม่มีนาฬิกา ต้องตั้งนาฬิกาไว้ก่อนดูนาฬิก า, าค่ะหลวงพ่อแลอ้วก็เอานาฬิกาไปแล้วก็เตรียมไปถ่ายไปเงียบเงียบดีค่ะหลวงพ่อแล้วก็เป็นระเบียบคือพระที่นี่จะแบบเป็นระเบียบมากค่ะเป็นเป็นเหมือนวัดหลวงตาะ ค, ะงค่ะเงียบสงบทำงานแล้วก็ปฏิบัติหนูหนูหาที่ ประมาณเนี้ยค่ะได้แต่ว่าถ้าจะเอาแบบหนักหนักปฏิบัติแบบทั้งวันทั้งคืนหนูชอบไปที่ที่เขามากกว่าค่ะที่เขาเชีโอนมากกว่าที่ทำไมไม่มีกิจกรรมร่วมกันทาคนเดียวตามกางัางของเรา่ได้ได้ปฏิบัติแทบเจอแบบนอนก็นิ ด, นดเดียวแล้วก็ทําแบบเต็มที่เลยค่ะเดี๋ยวเดือนธันวาคมหนูก็จะไปไปอยู่ค่ะอ่าดี วันนี้หนูไม่มีอะไรแล้วค่ะหนูก็เดี๋ยวเอาเอาเรื่องวันนี้มาเล่าให้ญาติพี่น้องเพื่อนปฏิบัติฟังกันถ้าใครก็ อ, อยากจะไปหาที่ปฏิบัติก็จะได้มีที่เลือกอีกที่หนึ่งก็<อ>แนะนําที่วัดวัดป่าสุดใจเราที่บางบ่อค่ะแล้วก็จะมีเขมีเปิดสาขาอีกที่สระ บ, บุรีก็มีค่ะหลวงค่อที่เป็นวัดวัดป่าสุดใจเหมือนกันค่ะ กรณีใครอยู่ใกล้ทางไหนก็ไปที่นั่นได้นะใช่คะ่ะแล้วก็มีเป็นกุดเดียเด่ยวๆอย่างนี้ค่ะเหมาะหมาะหมะที่จะปฏิบัติธรรมาค่ะหลวงพอ่อดีมากเลยคะ่ะโอเคสาดูแบ่งปันความูต่อกันนะอ่าเขาก็คุณค่ะสาธุค่ะอ่าไปที่เออคุณนิสากับนมัสการค่ะพระอาจารย์ วันนี้ไม่ไม่มีคาถามค่ะพระอาจารย์ก็สงบดีค่ะพระอาจารย์ยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์ไม่มีลถหย่อนค่ะดีะโอเคใชไม่มีคาถามไม่มีรถไล่แจกแถมนะไม่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ Thanksgiving Black Friday ไม่สามารถทำอะไรรูปได้ค่ะปกตินี่ช้อปปิ้งะไม่เต็มไม่ค่ะไม่ค่ะเพราะว่า เพราะว่าลูกนึกถึงปีที่แล้วที่ลูกยังมีกิเลสอยู่ตอนนั้นคือของที่ซื้อปีที่แล้วยังไม่ได้ใช้เลยค่ะพระอาจารย์ ก, ก็เลยลดราคาแทนเลยนะมไม่คือมันเป็นกิเลสมันหลอกลวงเราให้ให้แบบลดราคาแล้วก็ให้เราซื้อเผื่อไว้ว่าแบบเออมันลดราคาเราต้องมีต้องมีนะแต่แผลพอมาคิดจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เราไม่ ไม่ถึงเวลาที่ต้องใช้ค่ะแล้วก็ซื้อมาแล้วก็เก็บไว้อย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ไม่ได้ใช้ก็เลย black friday ไม่สามารถทำอะไรลูกได้ค่ะต่อให้ c ซเบอร์ y ดยก็ไม่ได้ค่ะวันจันทร์มันมีไซเบอร์เดอีกนะคะพระอาจารย์แล้วเดี๋ยวนี้มันมัน black friday นี่มัน early ตั้งแต่แบบต้นเดือนเลยค่ะพระอาจารย์มันมาทุกทางค่ะมันแข่งกันไงต้องรีบรีบแซงกัน ถามพ่อจันค่ ะ, คะแล้วก็ Thanksgiving ลูกก็มไม่ไปไหนคะ่ะพ่อจัน <Yeah, what? S 2> ปกติ<ม>ค่ะปกตินี้ต้องที่ผ่านๆมาค่ะพ่อจารย์ที่มีร้านก็มันจะเป็นวันหยุดที่แบบคนจะหยุดยาวใช่ไหมคะที่ร้านก็จะปิดแล้วก็ทุกคนพนัก ง, งานก็จะแยกย้ายกันแบบบางทีก็ไปเที่ยวอะไรเงี้ยลูกก็ต้องไปเว ก, กัสทุกปีค่ะพ่อจาย์แต่ตอนนี้ไม่ไม่มีแล้วคะ่ะไม่ได้ตังค์ลูกแล้วคะ่ะ<ม> <laughs> ีก็ขาพระอาจารย์มามาทางนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปทางนั้นแล้วค่ะโอเคดีละอาบายมุกได้แล้วนะชุลารยาการพนันไม่ค่ะไม่ค่ะไม่มีแล้วค่ะพระอาจารย์ซื้อของก็ไม่เอาแล้วค่ะพระอาจารย์คนสมัย<บ>นี้ีก็เป็นเรื่องปกตินะเดิ่มชุลารเล่นการพ น, นันนี้เขาเรียกว่าเป็นค่ะพระอาจารย์ก็ไม่รู้เลยว่าก็ไม่รู้เลยว่ามันเป็นอาบายมุกนี่ค่ะพระอาจารย์ ไม่เอาแล้วค่ะพระอาจารย์ก็ okay, ดีภาวนานดีกว่าภาวนาบ้าภาวนานดีกว่าค่ะพระอาจารย์ก็เป็นความสงบที่ดีที่สุดค่ะพระอาจารย์อืมโอเคนะอตอนนี้ก่อนนะค่ะขอให้พระอาจารย์ทัต์ขันแข็งแรงนะค ะ, อะขอบ <สา S 2> คุณพระอาจารย์<ๆ>มากๆค่ะอเคใจที่คุณแดนอุดรธานีน อ่จารยมัทพักค่ะอาจารย์วันนี้วันล่าฟังถามค่ะมีคําถามค่ะ okay. ไปทีวว่คุณหมอสรัตน์เนปฐุมธานีนานท่านอาจารย์เจ้าค่ะมีคําถามเจ้าค่ะอ่าว่ามอะไรทุกที่เกิดจากความอยากไม่ตายเป็นทุกในพร ะ, พระอริยสัจ ส, สีใช่ไหมเจ้าค่ะมันเป็นวิภาวะจัญหา แล้วเราจะมีวิธีพิจารณาเพื่อดับความทุกข์ใจนั้นได้อย่างไรเจ้าคะก็ต้องดูความจริงไงมาอย่างว่ามันเป็นไปตามความอยากได้หรือไม่ความตายไหมเราทําให้มันไม่ตายได้มไหมใช่ไเมมามาทาให้มันต้องกายไม่ตายไม่ได้ก็ต้องยอมรับเท่านี้ถ้ายอมรับมันก็จะไม่ทุกข์มันก็จะอยู่ความอยากไม่ตายได้ ต้องพิจารณาความตายหบ่อยๆทางใจมันยอมรับถ้ายังไม่ยอมรับก็แสดงว่าเราไม่มีอุเบกขาเราต้องนั่งสมาธิให้จิตสงบมากกว่านี้ถ้าจิตสงบมากๆแล้วมันก็จะยอมรับได้เบื้อต้นก็ยอมรับได้ในในในระดับของความคิดขั้นต่อไปก็ต้องไปพิสูจน์ไปเปในระดับขั้นปฏิบตัติก็คือต้องไปอยู่ที่ไหนที่มันทําให้เราเกิดความกลัวตายขึ้นมา ลองดูซิว่าเราจะดับความโกรธตายนั้นได้ไหรือด้วยการยอมตายเจ้าค่ะเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะที่พระนั่นปฏิบัติเขาไปอยู่ตามป่าตามเขาตามที่มีสัตว์เสืออะไรต่างๆนี่ก็ เ, เพื่อพิสูจน์ไปทําข้อสอบว่า mm hmm. ยอมตายหรือไม่ถ้ายอมตายแล้วใจก็จะเย็นจะเฉยไม่เดือดร้อนถ้ายังไม่ยอมตายยังอยา อยากไม่ตายมันก็จะลื่นมันก็จะหวาดกลัวใจสั่นถ้าสมมติว่าเราไปอยู่ในที่น่ากลัวเราเกิดอ่าสภาวะที่เกิดความกลัวเกิดขึ้นนอกจากปัญญาแล้วเราใช้สติได้ใช่ไหมเจ้าค่ะถ้ายัางใช้ปัญญาไม่ได้ก็ใช้สติไปก่อนพุโทโธพุทโธอย่างที่มีญาณอยูมไปนั่งนั่งนั่งสมาธิที่หน้าลงศพเนี่ยมันการความกลัวขึ้นมา กลัวผีกลัวอะไรก็ลองใช้พุทโธพุโทโธทําใจให้สงบถ้าไม่มีสติเดี๋ยวก็ทนนั่งอย่างนั้นไม่ต้องหนี<ะ>แต่ถ้ามีปัญญาก็พิจารณาเนะี่ยร่างกายของคนที่ตายกับร่างกายของเรามันก็เหมือนกันไม่ใช่เหมเขามีผมเ้าก็มีผมก็มีขนแล้วก็มีขนแล้วเราไปกลัวอะไรของเขาอันนี้ก็ใช้ปัญญา เจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์ไม่พิจารณาว่าร่างกายเขาตายก็เป็นอนณาเขาของเราต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนเขานร่างกายเราก็ต้องเป็นเหมือนเขาพิจารณาด้วยปัญญาก็จะยอมรับในที่สุดมันก็ต้องตายด้วยกันทุกคนไม่ว่าเขาไม่ว่าเราเจ้าค่ะมาคําคถาม จยถ้าใช้บรรดาไม่ได้แสดงว่าสติเรายังมีไม่มากพอก็ต้องพยายามฝึกสติให้จิตนิ่งด้วยสติก่อนถึงจะมีถึงจะ ม, ม, มานั่งคิดใช้บรรญาได้เห็นได้ผลได้เจค่ะโอเคนะ ท, ทุกท่าใช่ค่ะขอบคุณอ่ามูลสันติธรรมเชิญเราแสกิ้งเข้ามา นมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะพูดถึงแ n k s กีวิ่งยมก็ไม่มีคนชวนเลยค่ะพระอาจารย์ไม่เคยมีคนชวนเลยไม่ค่อยมีคนชวนเลยค่ะแล้วคราวนี้เนี่ยยมรู้สึกว่าปีนี้ยมช้ามากเลยค่ะยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยเพื่อนบอกว่าร้านน่าจะขายของหมดแล้วยมช้าเกินไปน่าจะไม่มีพวกเกรวีหรือว่าพวกต้องไปดูกรีนบีนกับกับพวก m a ส h ป d p o t a โร่แล้วคราวนี้ ปรากฏว่านอกจากไม่มีคนชวนแล้วลูกของเพื่อนกลับมาที่บ้านนี่ค่ะพระอาจารย์ยมเลยยังไม่ได้เตรียมอะไรกับพระอาจารย์ก็เดี๋ยวเดี๋ยวบ่ายนี้อะค่ะหลังเลิกงานเสร็จแล้วก็คงจะไปดูว่ามันเหลืออะไรบ้างอะค่ะก็ทำแจงไก่ไปเลยก็ได้เราเป็นคนไทยเราจะไปตามฝรั่งด้วยยมรู้สึกผิดมากเพระอาจารย์ที่ลูกเพื่อนมาครั้งที่บ้านไม่มีอะไรให้เขาทานเลยค่ะทําว่าสมานใจไม่ได้หรอ ค่ะยมให้เขาทาซีเรียลสงสารลูกเพื่อนมางเลยค่ะก็อแต่ยงก็ออกเ อ, อพอดีว่าวันนี้จิบเขาอาจจะไม่เข้านะคะพระอาจารย์<อ>แล้วก็ค่ะค่ะก็เลยฝากมากราบท่านพระอาจารย์แล้วก็ฝากขอบพระคุณพระอาจารย์ที่คอยสั่งสอนนะคะพ อ, อะดีอท่านเจ้าอาวาสวัดวสุท ธ, ธัตมาเยี่ยมที่วัดไทยก็เลยเอก็เลยไปถวายอ่าถวายเพนท่านนะคะดีค่ะ ส่วนโยมก็ เ, เหมือนกับว่าพอโยมเข้าซูมมีติ่งเนี่ยสังคมสังคมหรือว่าความผิดของโยมมันเปลี่ยนนะคะแล้วบางทีเราอาจจะคิดว่าโลกนี้มันดีมีศีลมีธรรมแต่บางเอิญว่าโยมไปคุยกับเพื่อนสมัยเรียนหนังสือที่เมืองไทยแล้วก็เขาพูดขึ้นมาคำานึงว่าคนมีศีลห้าเนี่ยไม่ได้มีเยอะหรอกนะอะไรอย่างนี้คะ่ะโยมก็เลยแอบรู้สึกตกใจกับสภาวะความ เป็นจริงมั้งคะพระอาจารย์เพาะว่าโอเดี๋ยวนี้ขนาดเพื่อนสนิทเรายังคิดว่าคนที่มีสีลห้านี่มันมันมีไม่มากเ น, ะะนกี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าออเรื่องบางอย่างนี่เราคงคุยกับเขาไม่ได้ก็ต้องถอยออกมาแล้วก็เราก็ปฏิบัติของเราเองอะคะ<ด>่ะใช่เรื่องเหล่านี้ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปคุยกับคนอื่นนะไปคุยในกลุ่มเราที่มาค่ะพระอาจารย์เพราะยมก็เข้าใจว่า มันเป็นเรื่องที่คนปฏิบัติธรรมมากมายเหมือนสิ่งที่เรารับรู้รับเห็นก็คือมีการไปปฏิบัติธรรมมีการไปสแสวงวิเวกทุกคนอยู่ที่บ้านปฏิบัติเช้าปฏิบัติเย็นหรือว่าฟังธรรมแต่มั น, นมันไม่ใช่กลุ่มนี้น้อยมาก <c oughs> ถ้าไมไดม า, <c oughs> าที่นี่ไม่มีไม่มีที่ไปคุยด้วย <c oughs> <c oughs> พูดกับคนอื่นไม่เข้าใจแต่โยมก็ปฏิบัตินะคะแล้วยงรู้สึกว่าผล <c oughs> ของการปฏิบัติมันสามารถโชว์ได้ใน ในระหว่างวันโดยที่เราไม่คาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างกรณีที่ว่าเหมือนมีคนเข้ามาพูดจาไม่ดีใส่เราแต่เรากับนิ่งมันนิ่งมันไม่รับอะค่ะ ม, มันไม่รับเราฝึกษาอมไปก่อนเนี่ยค่ะโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะเป็น mm hmm. เช่นนั้นหรือแม้แต่กรณีความฝันนะคะพระอาจารย์ mm hmm. ยงฝันเห็นเออ่เป็นผู้ชายเป็นลูกๆขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมา แล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้เขาน่าตาดีจังเลยละอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. โอเป็นรูปผู้ชายแล้วก็เป็นรูปผู้หญิงผุดขึ้นมาแต่เหมือนมันมีอีกจิตหนึ่งที่อยู่ในพวังอะค่ะมันผุดขึ้นมาว่าสวยหรอดีหรออย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. มันต้องใช้อสุภาแล้วพอมันใช้ ม, มันจิตที่ผุดขึ้นมาว่าใช้อสุภาทั้งหมดทั้งปวงมันก็ดับไปหมดนะคะ mm hmm. หายไปทั้งหมดเลยยก็ mm hmm. เลยรู้สึกว่านี่มันเป็นสิ่งที่ ผลของการฝึกฝนใช่ไหมคะอาจารย์ธรรมะก็มานลบล้างกิเลสเวลากิเลสโผล่ขึ้นมาแล้วกาใช้ธรรมะถ้าเราซ้อมอยู่ธรรมะก็จะโผล่ขึ้นมาค่ะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่ตรวจสอบว่าเราสามารถใช้ตรงนั้นได้จริงๆหรือเปล่าเนี่ยก็คือดูในความฝันด้วยใช่ไหมคะเพราะว่ามันเราไม่สามารถบังคับได้ได้ก็อันนั้นก็เป็นแสดงผลให้เราเห็นค่ะอาจารย์คะแล้วเวลาที่เรานั่งสมาธิ ในในช่วงระหว่างที่มันกําลังจะสงบเหมือนมันหล่นลงไปเป็นเป็นชั้นชั้นนะคะคือมันไม่มันไม่เดี๋ยวนี้มันไม่ดิ่งลงไปแล้วแต่ว่ามันค่อยค่อยหล่นล<ง>แล้ ว, แ, ล ว, แ, ลวแต่มันจะมันจะลงแบบไหนก็ไม่เป็นไรบางทีก็ลงแปบขั้นขั้นไปบางทีก็ลงแบบพูดพลาดไปแล้วเราจะทราบได้ยังไงคะพระอาจารย์ว่าตรงนั้นมันคือผลของการปฏิบัติหรือว่าไม่ใช่จิตปรุงแต่งนะคะ มันไม่ใช่ปรุงแต่งของนี้มันไม่ได้ปรุงแต่งจิตมันสงบลงเป็นขั้นๆมันไม่ได้เกิดจากการปรุงแต่งมันเกิดจากการหยุดปรุงแต่งอ๋อเพราะพยมคิดว่าเอ๊ะเราปรุงแต่งหรือเปล่าคือถ้าเราเอ๊ะก็คือปรุงแต่งถูกไหมคะอาจารย์ก็ไม่แน่เพียงแต่ว่ามันขนาดแเราก็จะสามารถที่จะขนาดที่มันสงบแล้วก็ยังสามารถที่จะนึกคิดอะไรได้บ้าง อืมค่ะค่ะท่านอาจารย์แต่ยังไม่สงบเต็มที่ค่ะพระอาจารย์ก็<ม>ช่วงนี้ก็ปฏิบัติพยายามปฏิบัติมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่กําหนดเวลาแล้วอ่ะค่ะพระอาจารย์คือถ้ามันมันมันมันสงบแล้วมันมีความสงบมันปรุงแต่งไม่ได้เหรอแบบนี้มันจิตปรุงแต่งไม่เองไม่ได้เพราะมันมันเกิดจากการไม่ปรุงแต่งอืมค่ะค่ะ ก็วันนี้ก็มีคำถามประมาณนี้ค่ะท่านพระอาจารย์ก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่คอยสั่งสอนและคอยให้คำแนะนานะคะเราลึกถึงเสมอค่ะไห้พระอาจารย์ทักขันแข็งแรงค่ะอานารย์คุณหมอรัตวุฒิคุณหมอกราบน้สตานพระอจาย์ครับวันนี้เข้ามาฟังธรรมครับไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรครับโอเคไปที่ท่านต่อไปเลย มันจนันดนันดาเมื่อเช้านี้ก็ใส่บาตรใช่ไหมค่ะแต่นวัสตสการ์ค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ะพระอาจารย์ค่ะเป็นยังไงกลับถึงบ้านแล้วนะค่ะวันนี้อยู่ศรีชาค่ะพระอาจารย์อค่ะอยู่ศรีชาอีกคืนหนึ่งค่ะพระอาจารย์อก็เอ่อถ้าไม่ได้ขึ้นไปภาวนาค่ะพระอาจารย์ลูกก็ใช้ชิด เหมือนปกติเลยค่ะพระจาร์คือภาวนาน้อยค่ะพระจาร์แล้วก็ศีลกระพ้องกระแพงค่ะพระจาร์แต่แต่เวลาขึ้นไปภาวนาข้างบนก็จะตั้งใจตั้งใจทุกรอบะค่ะพระจารย์แล้วเราก็คือว่าเออมันก็เลยยังรู้สึกเหมือนมันรู้สึกผิดผิดไงไม่รู้ค่ะพระจาร์ติดอยู่อะไรเงี้ยค่ะ ได้เรายังไ ม, ไม่ไม่ไม่ยังไม่ติดอยู่ทางธรรมยังมีทางโลกอีห น, นึ่งอยู่ยังถ้า ม, มีมีมีช่วงไหนที่มีโอกาสมันก็จะดึงเราไปค่ะพระอาจารย์ถ้าเราติดทางธรรมแล้วถึงแม้จะกลับมาอยู่บ้านแล้วก็ยังพยายามรักษาธรรมที่เราปฏิบัติต่อไปอย่างค่ะค่ะถ้ากลับมาแล้วเปลี่ยนในคนนึ้งเป็นก็แสดงว่ามันมันยังไม่ติดเนี่ยยังไม่ติดธรรมคับค่ะ <ม>กไ็ไม่เปลนพยายามทําให้มากขึ้นเดี๋ยวมันก็ติดเองค่ะพระอาจารย์อย่างคุณมารีเนี่ยการติดทำแล้วแกอยู่ที่ไหนก็ห<ม>เห็นตัวอย่างใช่เห็นตัว อ, อย่างคุณมารีแล้วก็ชื่นใจดีค่ะพระอาจารย์อืมเราก็จะพยายามไปถึงจุดนั้นให้ได้ต้องปฏิบัติให้มากขึ้นก <c oughs> ารปฏิบัติท่านนั่นแนหะที่จะทําทให้เราเราก้าวหน้าไนดะ้การนั่งคิดนั่งอ่านนั่งคุยกันนี่นั่งฟังนี้มัน ไปไม่ได้หรอกเป็นดันมันเป็นการศึกษายาวทางนะงนีอ้อค่ะแล้วลูกติถ้าคือปกติถ้าไม่มีงานก็ไม่ค่อยได้คุยกับใครค่ะพระอาจารย์แต่พ อ, อว่ามีโอกาสได้คุยกับใครเนี่ยถ้าถ้าคุยเรื่องการปฏิบัติหรืออะไรเงี้ยคะ่ะลูกติพูดเยอะเหมือนกันค่ะพระอาจารย์แบบบางทีคือคือตอนที่ไปภาวนาแต่ละครั้งมึงก็สนุกดีอะค่ะพระอาจารย์ บางทีมันก็อยากเล่าให้เพื่อนฟังหรืออะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วรอบเนี้ยค่ะพระอาจารย์ลูกเอ่อก็จิบรวมยากเหมือนกันค่ะที่เมื่อเช้าที่พระอาจารย์เมตตาถามมาค่ะว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วลูกบอกว่าดีคือดีก็คือว่ามันโหดมากเลยพอมันรวมยากแล้วลูกก็แบบว่าเออ คือลองลองแบบวิธีเก่าๆเดิมๆที่ลูกเคยทําได้แล้วมันก็มันก็ยังยากอยู่อะไรเงี้ยค่ะลูกก็เลยคิดว่าพระอาจารย์เคยบอกว่าให้ออกไปข้างนอกสี่ตอนกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะตอ น, น, นที่ลูกเคยถามพระอาจารย์ว่าว่าถ้าเขาปฏิบัติกันถึงขนาดต้องแลกด้วยชีวิตนี่มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วพระอาจารย์เคยบอกไว้อ่ะค่ะว่าดึกๆก็ลองให้ออกมาข้างนอกดูอะไรเงี้ยค่ะเ mm. พราะเพราะลูกก็รู้ตัวอยู่ค่ะว่าแบบ เราก็ยังมีความกลัวอยู่ลึกๆอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันก็ยังไม่ได้หมดอะไรงะ mm hmm. เงี้ยค่ะแล้วลูกก็เลยลองออกมาค่ะพระอาจารย์ตอนตีสามอะค่ะตีสามกว่าสองวันนะคะค mm ือ hmm. ออกออกมาแบบมาเดินจงกรมข้างนอกอะค่ะแล้วก็มันมีศาลาอยู่ใช่ไหมคะพระอาจารย์ที่ที่เป็นศาลาไม้อะค่ะข้างล่าง mm hmm. ตรงนั้นมืดมากเลยค่ะแต่ลูกก็เดินจงกรมแล้วก็เดินไปเดินมาแล้วก็คิดว่า จะลองไปนั่งดีไหมคือมันมืดอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็ก็ก็ก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะเราล้อยลมหายใจแล้วกันก็เลยเข้าไปนั่งอะคะ่ะพระอาจารย์ mm hmm. คือเรามองจากข้างนอกเข้าไปมันมืดอะคะพระอาจารย์ mm hmm. แต่พอเข้าไปนั่งจริงๆแล้วมันก็มันมันมันมันก็รู้สึกดีนะคะพระอาจารย์ mm hmm. แล้วก็แล้วก็ลูกก็ออกเดินออกไปเดินข้างนอกด้วยคะ่ะพระอาจารย์จุดที่ลูกกลัว ที่สุดในในบริเวณนั้นก็คือตรงที่มีศาลเจ้าที่อะค่ะพรอาจารย์แต่แต่เป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดชอ็อตฟิลของลูกอะตรงนั้นออแล้วุกลัวที่ไหนต้องไปที่นั่นต้องไปนั่งที่ตรนั้นหนึ่งใช่ลูกกลัวตรงนั้นนาที่สุดแล้วเราออต้องไปนั่งเลยใช่ไหมคะพรอาจารย์ก็ถ้าใช้ปัญญาพิจารณามันมีะ ม, ม, ม, มันมีอะไรน่ากลัวมันก็เป็นไม้เป็นอะไรเป็นอะไรแบบนี้ <c oughs> มีหยอกไม้ถูกเทีนยนอะไรไปตั้งวางไปมันก็มันก็เหมือนกับไปที่ร้านขายของนี่ร้านขายของก็มีของพวกนี้อยู่เหมือนกันไม่ใช่ค่ะแล้วลูกแล้วลูกก็เออ่นึกถึงนึกถึงพระอาจารย์ที่พระอาจารย์เคยบอกว่าสิ่งต่างๆมันมีแต่ของปลอมทั้งนั้นมันไม่มีของจริงมันมีแต่แบบมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นของจริงเลยสักอย่างมันมีแต่ความมืดกับความสว่างเท่านั้นที่เป็นจริงที่เป็นของจริง ลูกก็เอาอันนี้ยมาท่องอะค่ะพระอาจารย์ <Okay. S 2> แล้วตอนที่เดินลงมาลูกก็ตัดสินใจว่าใช้จะถือไฟฉายแค่อันเดียวถ้าสมมติว่ามันเป็นลายมันเจออะไร ห, หรือมันไม่ไหวอะไรนี่ลูกก็ไม่ไม่สนใจลูกก็ทิ้งเลยคือทิ้งร่างกายไปเลยคือห uh, มายถึงว่าแล้วมันมันจะเป็นอะไรมันใช่ค่ะพระอาจารย์ลูกคิดว่ามันก็ปล่อยมันไปเลยมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปเลยแล้วไม่โทรหาใครด้วยใครเจออะไรที่สุดก็จะไม่ก็เลยไม่หยิบโทรศัพท์ไปแม้ไรถือไฟฉายอันเดียวค่ะพระอาจารย์แล้วต uh, ัว ตรงนัน้นก็มืดนะคะพระอาจารย์แล้วลูกยัง<ม>คิดว่าลูกจะเดินออกไปคือลูกก็เดินเลยสารสารสารเจ้าที่ขึ้นไปข้างบนแล้วค่ะแต่ว่ายังยังไม่ได้ไปไกลกว่านั้น<ม>เพราะว่าไม่ไม่แน่ใจว่ามันจะไกลเกินไปไหมมันมันไปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอื<ม>แต่ลูกก็ไปตรงนั้นอ่ะแล้วลูกก็ยืนดูยืนดูอยู่ในความมืดแล้วก็แบบเราก็เดินค่อยๆเดินกลับลูกรู้สึกสนุกนะค่ะพระอาจารย์อ<ม>ลูก แต่ไม่รู้ว่ามันก็ไม่ไม่รู้ว่ามันจะได้ึ้บอะไรเปล่าลองนั่งสมาธิตรงหน้าศาลอยู่ส็ักก็ได้ค่ะเดี๋ยไดะเดี๋ยวถ้าอาการรุนแรงค่ะถ้ามันกลัวให้มันสติต้องต้องกระชับต้องต้องไม่คิดอะไรเลยต้องอยู่แบบพุโทโธพุทโธไปค่ะคิดว <พา S 1> ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรมาเต็มไปหมดค่ะพูาจาร ใช่ค่ะอะไรมันมาเต็มไปหมดเลยค่ะพระอาจารย์ตอนที่มันฟุ้งซ่านมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหลูกหูมันมามันมาเยอะจนขนาดลูกคิดนึกถึงคําพูดของครูบาอาจารย์ที่เคยอ่านในหนังสือเคยได้ยินนะคะที่เขาบอกว่ากิเลสมันฟาดงวงฟาดงางฟาดงวงฟาดงาจนจำไม่หวังาละว่าใช่ใช่ค่ะพระอาจารย์หนูลอบเนี้ยลูกขนาดนั้นเลยเพราะว่า ธรรมดาก่อนหน้าเนี้ยไม่ขนาดนี้เลยค่ะพระอาจารย์ร อ, อบเนี้ยลูกว่าลูกอ่ะหนักสุดเลยที่แบบอโอ้โหมันเราไปหาที่กระตุ้นให้มันออกมาเราไปหาที่กระตุ้นให้มันออกมาหมายถึงว่าช่วงก่อนที่ลูกจะมาวิเวกแล้วลูกก็ใช้ชีวิตแบบตามปกติอ่ะไม่ได้ไม่ได้ถือศีลแปดหรืออะไรอย่างเงี้ยเหรอคะไป ไปใช้ชีวิตทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะพระอาจารย์เมืม่อไหร่ไถึงไปที่น่ากลัวไง ม, มืนกันอ๋ออ๋อค่ะค่ะพอาจารย์กต่ตอนตอนที่ตอนที่ไปตรงที่น่ากลัวลูกว่าลูกคามดาวไปแล้วคะ่ะพระอาจารย์ค่อยๆดีขึ้นแล้วแต่ว่าตอนก่อนจะไปอะคะ่ะพระอาจารย์มันเป็นของมันเองะะอ่ะค่ะคืออย่างเรื่องอาหาร่ะลูกลูกคิดว่าลูกก็ร อ, อดแล้วมันไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกว่า เราจะอยากกินอาหารอะไรมากมายขนาดนั้นคือปกติถ้ามันอยากอาหารเนี่ยที่อาหารที่เราชอบเนี้ยค่ะมันจะเป็นแค่วันหนึ่งมันจะเป็นแค่วันเดียวแต่เนี้ยมันเป็นเกือบทุกวันเลยอะแล้วมันเป็นเมนูเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนแสดงสติเราไม่ค่อยดีปล่อยให้มันคิดปรุงแต่งไม่มากกันไปค่ะอาจารย์เราต้องคอยควบคุมใจให้เป็นสติอยู่เรื่อยๆอย่าให้คิดปรุงแต่งค่ะ แล้วแล้วการที่คือแล้วลูกก็เลยบริกรรมพุโทโธพุธโทโธก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะลูกต้องนับตัวเลขช่วยอะไรเงี้ยค่ะนับตัวเลขช่วยให้มันครบพันอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยช่วยดึงกลับมาได้บ้างพอแล้วลูกก็เลยรู้สึกว่าตอนกัาคือลูกต้องไปละต้องต้องไปต้องไปหาที่ที่น่ากลัวอยู่แล้วลูกเขารู้สึกว่าถ้าเราอยู่ในในที่เดิมๆตรงนี้นะที่เราตอนเนี้เราเดินปลอแล้ว ตอนดึก ๆ, กๆหมาถึงวาา่าหน้าหน้าหน้าหน้าห้องเราอะค่ะข้างนอกอะค่ะ <c oughs> นั่งได้แล้วดึกๆเดินไปเดินมาปอแล้วเราก็คิดว่ามันก็เลยเหมือนกับว่าลูกชินหรืออะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ลูกก็ไม่แน่ใจลูกก็เลยรู้สึกว่าลูกจะต้องไปอะไรตร ง, ตรงนั้นนะคะออกไปข้างนอกอะค่ะพระจย์แล้วมีตอนก็ตอนนั่งในศาลานั้นก็ก็ก็มีเรื่องหน้าขำอันหนึ่งค่ะพระจารย์ขออนุญาตเล่า น, นิด น, นึงนะคะ มันมีมันมีเจ้าหน้าที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาตอนประมาณสักตีสี่ได้บ้างคะพระอาจารย์แล้วเขาก็บอกว่าเขารีบจอดแหละค่ะพระอาจารย์แล้วเขาก็วิ่งวิ่งผ่านไปเลยเขาไม่หันมามองลูกด้วยนะแต่เขาวิ่งตุกตุกตุกตุตุกตุตุกตุกลูกก็มองเขาวานะคะว่าแบบเขาวิ่งเขาวิ่งหนีอะไรแล้วก็แบบก็ขำมานิดนึงเฮ้ยหรือเห็นเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เพราะมองกังคืมันน่ากลัวเหมือนกันนะคะตรงนั้นนะ่ะมันมันมืดอะค่ะพระอาจารย์ แล้วเาอาจจะเห็นเขาขาวอะไรเงี้ยค่ะเป็นชุดขาวนั่งอยู่อะไรเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วลูกก็แอบขำนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ร อ, <ม>อบรอบหน้าลูกๆูกจะลองที่อาจารย์แนะนําดูค่ะยลูกจะลองแล้วก็ลูกก็เลยคิดว่าเดี๋ยวปีหน้าค่ะอาจารย์ปีหน้าลูกจะหาเวลาหนึ่งเดือนนะคะ่ะหาเวลาหนึ่งเดือนแ ต, แต่ลูกจะสามารถอยู่ข้างบนได้สิบห้าวันใช่ไหมค่ะอาจารย์ อันนี้ก็เราลองถามคนที่เขาจัดการอยู่ก็ไค่ะค่ะลูกจะลูกจะลองถือสินแปดพักสักเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเลยคือไม่ไม่ทํางานจะลองดูค่ะพระอาจารย์ดีทำได้ก็ดีปีหน้าปีหน้าลูกว่าลู ก, ลกจะลองเพราะว่าตอนนี้ก็ยังก็ยังเป็นแบบสองฝั่งอยู่อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ลูกลกรู้สึกแบบ รับพี่เสียดายน้องรับพี่เสียดายน้องการปฏิบัติก็รักการเที่ยวก็รักหุ่นก็อะไรอย่างค่ะการกินการเที่ยวค่ะการทานสองแท่งต่อไปก็ต้องเลือกทางใดทางหนึงค่ะผ่าจารนค่ะโอเคอ๋อท่านนี้ก่อนะค่ะค่ะขอรับน้องค่ะผาจาย์ขอบพระคุณค่ะอคุณปลางวไลเดินปลางวไล กราบธรรมส ก, การ์เจริญพระจารย์พวกนี้อยังยังคงเน้นในเรื่องของการนั่งสมาธิที่ในที่น่ากลัวค่ะแล้วก็พอดีมีโอกาสจะได้ไปงานศพค่ะระหว่างที่เสร็จจากงานศพแล้วน่าจะได้ลองหามุมอะค่ะที่จะลองนั่งคนเดียวตัางหากคือรอบนี้ไปคนเดียวค่ะแล้วไปที่พนับนิคมเดี๋ยวจะลองหา่างค่ะโอเคนั่งปฏิบัติต้องสบายนะคที่ทดสอบไปเรื่อยๆค่ะ พระอาจารย์ค่ะคือคื อ, คอที่วัดวัดป่าสุขใจที่สระบุรีที่เคยเคยได้ยินญาติธรรมเขาเขาเล่าอะค่ะแล้วหนูว่าไปดูคลิปดูว่าวิธีการนะทํายังไงอะค่ะที่เขาบอกว่าไปเก็บดอกไม้พระพุทธเจ้าอะค่ะก่อนก่อนที่จะนั่งที่จะพาไปนั่งที่หน้าอาจารย์ใหญ่นะคะ<ม>เห็นเอ่อในคลิปเขาบอกว่าพระท่านให้ขอเข้ามาขอขอเก่าวขอเข้ามา เราก็ไม่ให้ท่องบทสวดอะไรให้อยู่เด็กกับพุโทโธค่ะทีนี้หนูก็เลยจะรบกวนถามพระจยานะคะว่าไอ้แพทเทิร์นที่ที่ต้องบอกว่าให้ขอขมาอะไรเงี้ยค่ะมันมันมันคือมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งหรือสร้างสร้างกำลังใจให้เราไหมคะว่าถ้าเราทำอะไรไม่ดีเราเราให้ขอขมาก่อนเนงี้ยค่ะก็ไม่ทราบอาจจะไปแบบเหมือนกัไป ไปขอเข้ามาในเชิงว่าขอบขอบใจเขาที่เขามาเป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับเราถ้าเราทำผิดพลาดอะไรก็ขอเข้ามาไว้ ง, ง่าก่อนก็ได้ถังพรุ่งนี้หนูลองดูเลยค่ะอรขอบคุณจ้าค่ะโอเคอคุณหน่อยชนณิดาชายานิตขอัยจำ การนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ลูกไม่มีคํำถามเจ้าค่ะคำามอย่างเดียวนะเจ้าค่ะยังถือศีลอยู่เจ้าค่ะเจ็ดเหมือนเดิมเจ้าค่ะชิ้นเจ็ไม่ยอมแปดททีนะปีหน้าเจ้าค่ะปีหน้าปีหน้าแค่ข้นเดือนเดียวนะเจ้าค่ะปีเป็นปีะปีหน้าปลายปีแล้วปีหน้าลนปีขอยื้อหน่อยได้ไหมเจ้าค่ะโอเค จค่ะตามใจตัวใครตัวมนันนะอะคุณแป้มนี่ไคุณแป้มแล้วเปล่าถ้าอ่านได้ก็อยู่ที่ไหนไม่เคยเข้ามาเนี่ยนะเคยเปล่าเคยเคยน้อมกาบบนมัตการเจ้าค่ะอยู่ที่ไหนอยู่พัทยาเจ้าค่ ะ, ะเคยเข้ามาแล้วเหรอเคยเข้าไปครั้งหนึ่งเจ้าค่ะอืมมีอะไรไหมวันนี้ <c oughs> น, นี้ไม่มีค่ะวันนี้เข้ามาฟังธรรมค่ะอาจารย์เจ้าค่ะโอเคเป็นยังไงดีไหมก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเจ้าค่ะอืมพ อ, อนั่งสมาธิไม่ได้จะหลับก็อาศัยว่าฟังธรรมะแล้วก็อา่านหนังสือธรรมะเจ้าค่ะเอะ่ดีเะพยายามฝึกสติให้มากขึ้นนะสติแรันรัญามีสติรัญายัไม่ค่อยหลับเท่าไหร่เจ้าค่ะ อย่าไปนั่นตอนที่กินข้าวอิ่มใหม่ๆถ้กินอิ่มใหม่ๆไม่น่งว่ามันจะหลับง่าเจ้าค่ะช่วงนี้เหมือนจะทานสองมืองอ้อเจ้าค่ะอ่ลงตค่ะแล้วก็ไม่ชอบออกไปเที่ยวค่ะชอบอยู่ที่บ้านเพราะส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตเหมือนไม่ค่อยมีไม่มีเพื่อนเจ้าค่ะดีวิเวศดีเจ้าค่ะอืมโอเคไม่มีอะไรนะ มาตอนนี้ก่อนนะน้องแป็บอ่าดูเด้ออ่าคุณนพิษิทตคสกลนคนเรเชิญครับข่านวนมัสการพระอาจารย์ครับวันนี้ไม่มีอะไรครับพระอาจารย์โอเคอ่านะพุโทโธไปได้เลยนะครับทําทุกวันครับพระอาจารย์ครับไม่ลืมที่พระอาจารย์สั่งครับอ่าสาธุดูเด้าคุณปุ้ยนักเสเบดปุ้ยเชิญ รับนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์คุณปุ้ยไม่มีอะไรเพียงแต่มาขอบกับขอบคุณพอาจารย์แล้วก็มาถวายบุญกับพระอาจารย์เจ้าค่ะยังไม่ถูกหวยค่ะพระอาจารย์ก็เล่าได้วนะ <c oughs> ถทาไม่ถูกก็เลได้แนละ้วไม่เพราะว่าเล่นเล่นเล่นเล่นไม่ได้เล่นลนบกว่าเป็นอมพิมหาเศรษฐีพระอาจารย์ ไม่เอาเป็นเอาตายกันนะนั่นแบบสนุกใช่ไหวเพราะว่ายอมยมมีสติเพราะว่าตอนพระอาจารย์เตือนเมื่อคราวที่แล้วยมคิดออกและวว่าอ๋อใช่แล้วพระอาจารย์กําลังจะเตือนเราอย่าเล่นว่าอืกบ่ายยมอ่ะมีแค่อย่างเดียวคือช่วงเนี้ยตอนที่ยมนั่งสมาธิเพิ่มขึ้นยมก็ถือศีลเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์วันนี้ยมขอเข้ามาที่ยมเข้ามาสายเพราะว่ายมไปทําธุระมา โยมอเวลานั่งสมาธิอ่ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันเหมือนอะไรมาบีบคอมันติคอมันเหมือนมีเสมหะหรือมันมีอะไรมาติคอก็อย่าไปสนใจมันเมันกิเลสกิเลสสมานก็เลยกิเลสมันสร้างอุปสรรคมาคอยขวางเราอยู่เรื่อยๆวันนี้ติดก็ไปมันติดไปแล้วเวลาภาวนาเราทิ้งร่างกายอย่าไปสนใจเร้่ร่างกายแต่บางวันเนี่ยมันก็จะผ่องใสนะแต่บางวันเนี่ยคือ โยมก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนอะไรมันกดกดกดหัวกดกดกดอย่างเนี้ยนะคะมันมันไม่รู้เป็นยอะไรก็เป็นกิเลสเป็นกิเลสมากกว่าเป็นกิเลสไานั่งดูดูหนังดูละครไม่เป็นอะไรเลยดูนิดเดียวอาจจะขอเข้ามาไม่แบบพอโยมก็คิดคิด คิดออกตรงตร ง, ตรงที่ว่าอืโยมไปฟังพระอาจารย์เปลี่ยนเขาท่านพูดว่าคนน่ะนอนฟังธรรมน่ะมันบาปและเมื่อสมัยก่อนอ่ะตอนเมื่อหลายปีที่แล้วโยมก็นอนฟังธรรมนะพระอาจารย์แสดงว่าโยมต้องบาปแน่เลยใช่ไหมคะมันไม่ควรอนะมันไม่ไ ม, ไม่ไม่ให้ขังเขารล้วทำอย่างน้ใช่แต่เดี๋ยวนี้โยมไม่ได้ทําแล้วโยมไม่ได้ทํา <ำ S 2> มันไม่ทําแล้วก็แล้วไปช่วยมันจะแสดงผลก็ช่วยไม่ได้ โอ้ oh, ค่ะอ okay, นะืมโอเคนะมถ้าไม่มีอะไรยนะได้ไปที่ท่านต่อไปใช่พระอาจารย์ขอขอพอรหน่อยสิอ่าให้นำให้รวยให้มีเงนใช้ตลอดชีวิตนะสาธุเ จ, จ้าค่ะพระอาจารย์ <Okay. S 2> อ่าน้อมนําบุญกรถิ่นมาฝากพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ธาตุขันแข็งแรงค่ะโยมไปโทษกรถิ่นมาร้อยแปดวัดค่ะโอ้โห oh, oh. ไปได้งไงินั้นร้อยแปดวัดนอ๋อมันเป็นกรถินตกค้างพระอาจารย์อ่า อ่<ห>าฮะอ่ะาด้วยอ่าคนเกตตเ็ตอาอะไรคนเก็ตบันเด็ตเสียง ข, ดขาดการฮะสัญญาณไม่ค่อยดีแบบอ่าพูดอาจารย์ได้ยินไครับได้ยินแต่มันแบบมันแบบ ข, ดขาดารอ๋อเ<ห>บาใช่ไหมครับครับอาจารย์สบายดีนะครับเอ่สบายดีเห็นเห็นที่อาจารย์ภูมิลงลงในเ facebook อยู่ครับ Uh huh. ทีมนัษาเขาไปตักบาทพระอาจารย์นะครับ uh huh. เมื่ออังคารดีแล้วครับ uh huh. ปฏีทำงานเลยไม่ได้ไปครับ uh huh. ก็สปหรับที่แล้วว่าจะเข้ามาแต่ว่าหลุดไปแล้วก็เลยไม่ได้เข้ามาต่อครับวันน uh ี huh. ไ้ไปนวดให้ท่านอาจารย์หรือเปล่าวันนี้ไปครับ uh huh. เมื่อวันเสาร์กิินก็ไปนวดถวายให้ท่านครับ uh huh. แล้วก็ก่อนสัปดาหก์ก่อนก็มีแบบไปช่วยคนที่ เเขาเป็นเหมือนหมอนรองกระดูกทับเส้นครับ mm hmm. เขาพวกเขาจริงๆเขาจะผ่าตัดเดือนหน้าครับแต่ก็เลยได้ลองสิ่งที่เราเรียนมาสิ่งที่เราฝึกมาไปช่วยเขาอะครับ mm hmm. อาจารย์ก็เหมือนไปนวดให้เขาสองรอบเขาก็พอลุกได้ครับแล้วรอบที่สามนี่ก็มาร้านที่ผมร้านที่ครูผมเอ่อครูที่ผมไปเรียนนะครับเขาก็ได้อกสมุนไพรตอนนี้เขากลับไปทํางานได้แล้วครับหลวงพ่อ mm hmm. อาจารย์ mm hmm. ครับก็รู้สึกว่าตอนที่นวดเขาเราสึกเราได้ใช้สมาธิด้วยครับเหมือนเราแบบไม่วอกแวกเราจะอยู่กับสิ่งที่ทําครับรู้สึกมันเห<ช>มือนกับได้อัออตโนมัตินะครับอาจารย์ใช่สติใ ช, สตใช่ครับใช่ครับแล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดวันไหนเรายิ่งเรานั่งทุกวันหรืออย่างเงี้ยครับรู้สึกว่ามันจะทําให้เรามีสติมีสมาธิกับการนวดตรง น, นั้นได้ดีขึ้นครับอาจารย์อ่เป็นการ<อ> ก, การยากตาสติใช่บสาชชบายอยู่กับการการเคลื่อนไหวของร่างกาย การกระทำทางร่างกายแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมทาถูกไหมครับก็คือผมพยายามแบบกําหนดไปไปเหมือนตรงจุดที่ท้องครับเหมือนประจวบนึกว่าเราก็ลมเข้าท้องป่องลมออกท้องยุบจะเรารู้สึกว่าเรามีสติในการทําอย่างเนี้ครับอาจารย์ก็ยุบหน่อพองเน่อไปใช่ใช่ครับรู้สึกว่ามันมีเพิ่มพลังได้ครับอาจารย์ก็สําคัญก็คืออย่าให้มันคิดปุงแต่งอ๋อ ครับเราก็รู้เราก็ก็นึกถึงที่พระอาจารย์ก่อนน้วว่าเราอย่าไปยึดกับสิ่งที่ทําได้ว่ามันเป็นอันนี้ครับอย่าไปไปเหมือนสนองตัวด้วยครับอาจารย์เอ่าเนครับก็ไม่มีอะไรไม่มีคําถามครับพระอาจารย์พอถ้าทางถ้าอาจารย์แข็งแรงตับเอ่สาธุถูกครับอ่ะป๋านั่เลยเดี๋ยวกุณแจมาเชมเงินกับกุญแจอว่ามา กลับน้ำมัสัช ก, การพระอาจารย์ค่ะอะอยู่ที่ไหนอยู่เชียงใหม่ค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมมีติดตามพระอาจารย์ในเฟซบุ๊กแล้วก็คอยฟังในที่พระอาจารย์ไลฟ์สดค่ะแต่ว่าวันนี้หนูเพิ่งโหลดแอปซูมมาค่ะเพื่ออยากจะมาฟังดูนะพระอาจารย์ส่วนรวมด้วยค่ะอ่าก็ดีไม่มีคําถามอะไรไหมไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์โอเค ก็ติดตามไปนะาาด้วเ น, นี่ยนะค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์อ่าดูไปที่คุญสุมุนซันนี่แบงค์คเชียนกล่ำนมาสการค่ะพระอาจารย์ว่าอย่างไรมีอะไรบ่าวันนี้วันนี้หนูมารายงานการปฏิบัติธรรมที่ไปปฏิบัติที่วัดยา น, นะคะเออได้ไปกับพระอาจารย์ด้วยค่ะเอ่อที่หนูไปปฏิบัติมาที่ได้ นั่งสมาธิยาวๆจะเป็นช่วงเมื่อคืนนะคะหลังจากทำวัดเย็นเอ่อแต่ว่าตอนนั่งสมาธิอะคะ่ะก็เกิดทุกขเวทนาปวดขามากอะคะ่ะแล้วก็แพ้ไปไหล ย, ยกเหมือนกันคะ่ะพระอาจารย์ก็พยายามกลับมานั่งใหม่เรื่อยๆแต่ก็ก็ยังยังยังไม่สามารถชนะทุกขเวทนานั้นได้อะคะ่ะตอนนั้นต้องขยัน บริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปอย่าไปอยากให้ความเจ็บหายไปอย่าไปสนใจกับความเจ็บให้ใจอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปค่ะพยายามทําตามที่พระอาจารย์บอกค่ะแล้วก็เ อ, อแต่ว่ามันมันยังไม่ได้ใช่ไหมคะหนูก็เลยลองลุกมันมาเดินตรงกลมแต่ว่าพอเดินตรงกลมแล้วง่วงค่ะหนูก็เลยหาหาอุบายใหม่ก็เลยลองไปหาหนังสือธรรมะค่ะ ของพ่อแม่ครูอาจารย์นะคะมามาเปิดอาา่านก็แต่พออ่านพอได้อ่านอ่านหนังสือธรรมะมันมันมันตื่นนะคะอาจารย์แล้วก็มีมีแรงมาปฏิบัติต่อเหมือนมีกําลังใจมาปฏิบัติอะคะ่ะเป็นแบบเหมือนบทความสั้นๆอะไรอย่างนี้ของพ่อแม่ครูอาจารย์นะคะดีใช้าทา <ำ S 1> อย่างนี้ผิดไหมคะไม่ไม่ผิดหรอถ้าทําให้เราไม่หายง่วงได้ก็ถูกค่ะแต่ว่าแต่ว่าตื่นอยู่คะ่ะพอฟังพออาา่านทําเป็นหนังสือของ พระอาจารย์เลียค่ะเป็นคําสอนของท่านก็แล้วก็ตื่นตื่นยิ่งตื่นตอนที่อ่านเจอว่าท่านท่านเล่าให้ฟังว่าหลวงหลวงปู่ ม, มั่นนะคะเคยเกิดเป็นอสุนัขเป็ น, เ ป, นเป็นหมื่นชาติอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบสะดุ้งเลยว่าขนาดหลวงปู่ ม, มั่นยังขนาดนี้แล้วหนูจะต้องเกิดเป็นสุนัขกี่สิบชาติอะไรเงี้ยก็เลยกี่สิบล้านชาติอะคะ่ะก็เลยรีบมาปฏิบัติะะอ่ะค่ะแต่ว่าก็ก็ <c oughs> ก็ยังยังยังผ่านทุกขเวทนาไม่ได้ค่ะแต่ว่ามันจะมีอยู่บางช่วงค่ะพระอาจารย์ที่มันเหมือนเหมือนเราพุโทโธไปจนเหมือนเหมือนมันมันเหมือนถอดปาร์กอะค่ะคืะคอคือเรามองเห็นว่ามันปวดแต่ว่าเราไม่รู้สึกเราเฉยเฉยคือไม่ไม่ไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์กับมันแต่ว่าก็จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะคะคือยังไม่สามารถประคองให้มันแบบไปตลอดได้อ่ะคะ่ะ ต้องหมั่นขยันพุทโธไปเรื่อยๆนะใช้พุทโธเนี่ยจะเป็นสติมากขึ้นแล้วก็แล้วก็คุณคุณแม่มีคําถามอ่าถามได้เลย่จะจะถามอาจารย์สวัสดีค่ะจะถามว่าลูกสาวหนูเดินทางสายธรรมแล้วแม่ควรยินดีหรือว่า คือเป็นทุกข์กันแน่คนจะยินดีนะเพราะเป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วต่อไปเขาก็จะมาช่วยเราดึงเราไปด้วยเหมือนพระพุทธเจ้าเพราะว่ามีลูกสาวคนเดียวค่ะก็มาจะมีครอบครัวแล้วอเดินทางสายธรรมจ้ะพระพุทธเจ้าก็มปลูกชายคนเดียวเหมือนกันท่านก็ไปบวชก่อนอท่านบรรลุนะท่านก็มาดึงพ่อเดึงแม่ไปต่อได้ ควรจะดีใจมีคนนำทางให้กับเราค่ะค่ ะ, นนะคะหนูก็คิดว่าน่าจะอนุอนโมทนาสาธุกับลูกด้วยก็ตัวหนูก็อย่าอย่าไปขวางได้แตุ่ทโตอย่าไปขวางเขาพย า, า, ายามสนับสนุนเขาอนุโมทนาให้เขาให้เขาได้ปฏิบัติมากขึ้นก็ไปส่งเขาไปรับมาเมื่อกี้แล้วหนู หนูเองก็พยายามนอนพุฒโตมาเป็นสิบสิบปีแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้เท่าไหร่ตอนแรกๆก็ได้พอตอนหลังๆไม่รู้มันเป็นยังไงมันไม่ใจมันไม่สนิทมันเหนมันขี้เกียจมันไม่ชอบม่ชอบดูนงชลครมากกว่าดูซีรีจิจีนอะไรไม่ได้กับคุณค่ะค่ะต้องยินดีนะต้องยินดีนะในการทำความดีของผู้อื่นนะค่ะ กับก่บ <ery. S 1> อาจารย์ Aid หนูมีถามต่ออีกนิดค่ะแล้วก็ช่วงตอนแรกตอนแรกตั้งใจจะโตลุงค่ะแต่ว่ากิเลกกิเลสพาขึ้นเตียงแล้วก็ห่มผ้าให้เรียบร้อยค่ะเลยไม่ได้โตลุงได้ประมาณถึงเกือบเที่ยงคืนค่ะ <laughs> <c oughs> แล้วก็ตื่นมาตีสามแต่ว่านั่งได้แป๊บเดียวก็ไปทําวัดเช้าแล้วก็กลับมานั่งต่อตอนกลับมานั่งต่ออีกครั้งค่ะเออก็ก็เป็นเหมือนเดิมอีก <hurts> ค่ะคือ ทุกเวทนาแต่ว่าพยายามเพ่งตอนคือคราวเนี้ยมันพุทโธไม่ได้ใช่ไหมคะก็เลยเพ่งไปตรงกระดูกที่ปวดอะคะ่ะอืมแล้วก็มันก็เห็นกระดูกแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนเดิมคือเหมือนเราถอดปาร์กอะคะ่ะคือเหมือนเราเห็นว่ามีไฟแต่ว่าไฟไม่ได้วิ่งมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้มันจะมีความรู้สึกเพิ่มขึ้นมาคือความรู้สึกเหมือนเย็นใจสุขใจเพิ่มขึ้นมาด้วยคะ่ะมันต่างกันยังไงไหมคะพระอาจารย์ ก็มันก็ดีแหถ้ามันเย็นใจสบใจแล้วมันสบายใจเมื่อเดือดร้อนกับความเจ็บก็ถูกต้องนะค่ะแต่ว่าก็ก็เหมือนกันยังทําได้ไม่นานแล้วก็มีช่วงที่เหมือนมันจะรวมคือแบบลมหายใจหายแล้วก็จะรวมแต่ว่าเป็นแบบงูที่แบบแลบลิ้นยังยังแลบไม่สุดก็ดึงกลับแล้วค่ะคือจะรวมแล้วก็แบบออกมา็ต่ยังมีกําลังไม่พอต้องทำต่อไปทําต่อไป ได้ค่ะจะพยายามพุดโพสตลอดก็จะถึงหลักชัยแล้วก็จะถึงหลักชัยแล้วแจบค่ะพระอาจารย์มีแค่มีค่ะพระอาจารย์โอเคดีคุณฟ้าต่อฟ้าฟ้าอยู่ที่ไหนเปิดไม่ก่อนจ้ายังไม่ไเปิดแต่บรากผมก็ค่ะอยู่ที่ไหนจ้ะที่อเมริกาค่ะแคลิฟอร์เนียค่ะเคยเข้ามารืเปล่า เคยเคยเข้ามาหลายครั้งแล้ว่ะหลวงพ่อแต่มไม่ได้อไบอกสีมาไป่วนนี้ออแค่จะมารายงานหลวงพ่อที่หลวงพ่อสั่งให้ไปทาสองอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะก็คือว่าจิตเริ่มรวมแล้วคือสงบแล้วก็หลวงพ่อบอกให้กาหนดที่กายอย่าไปดูที่ใจก็ทําตามนั้นเลยอะค่ะหลวงพ่อแล้วก็หยุดทำงานให้น้อยลง แล้วหนูทําได้ตั้งแต่วันนั้นก็คือคุยกับหลวงพ่อวันพุธแล้วก็ทําไปตอนแรกๆมันก็เชื่องเชื่องซึมซึมแล้วก็หนูก็เลยพอทำเสร็จแล้วไปกวาดนรมฝากพระแม่ธรณีคือเหมือนกับตั้งใจบอกท่านด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่ากลับมาปฏิบัติต่อมันก็มีพลังขึ้นเหมือนให้กำลังใจขอกำลังใจตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนูก็เลยพอวันอาทิตย์ คืออาทิตย์กลางคืนไม่รู้เป็นอะไรอะค่ะพอตอนวันจันทร์เช้าก็คือตาลายเลยเดินไม่ได้เลยเดินจงกรมไม่ได้คือหนูมีโรคประจําตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมหนูก็เลยนอนนอนดูดูเวทนาค่ะหลวงพ่อหยุดไปสักประมาณวันหนึ่งเลยที่ไม่ได้ทําอะค่ะเดินก็นั่งไม่ได้ด้วยก็เลยแบบแต่ทําวันต่อมาค่ะหลวงพ่อไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะให้หนูทําไงถ้าเกิดมีโรคประจําตัว กำเริบอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรายอมรับสภาพไปอย่าไปทุกข์กับมันถ้าปฏิบัติไม่ได้ก็ปฏิบัติไม่ได้ถ้านอนถ้านอนถ้าถ้านอนปฏิบัติได้ก็ปฏิบัติในถ้านอนไปไม่เป็นไรใช่ไหมคะหลวงพ่อถ้ามันถ้ามันไม่สบายก็เราก็ต้องทําไปตามไปตามเกิดของเรานะมีแค่เนี้ยค่ะหลวงพ่อ แต่อย่าไปทุกข์กับมันก็้าใจไหมถ้าไม่ได้ปฏิบัติก็อย่าไปทุกข์กับมันถ้ามันไม่ได้เกิดจากความขิ้เกียจของเราก็มันเรื่องส่วนวิสัยเรื่องขอ ง, งร่างกายค่ะหลวงพอ่อก็รอให้มันดีขึ้นก่อนแล้วเราก็มากลับมาปฏิบัติต่อค่ะหนูทาตามที่หลวงพ่อบอกทุกอย่างคือถ้าตั้งใจแล้วก็คือหนูก็เลยฝากขอซื้ อ, อ, อลอตเตอรี่เป็นประสรบการันชันนี้ไม่รู้จะได้ไหมแต่หนูว่ามีสิทธิ์ มีสิทสูงกว่าไปซื้อลอตเตอรี่ที่โอกมันมืดหนูจะตเหตุและปัจจัยให้พอมอค่ะถึงเมื่อถึงเมื่อนั้นจะเพื่อนบอกว่าเนี่ยพวกแกไปไปอธิษฐานเพี้ยนเพียนเงี่ยก็เลยการลายเลยเป็นไงล่ะก็บอกใจฉันว่ามันไม่เกี่ยวกันหรอกเรื่องของร่างกายมันจะตาลายมันก็ตาลายของมันไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติของเราอ่าห่ออ่าสาธุค่ะมีแค่นี้ค่ะ อ่าอยู่เมืองอะไรคลิฟอร์เนียเออซันโตรโรซาค่ะย้ายจากจากับในป่ามาอยู่ในเมืองแล้วต้องทำงานใช่ไหลวงพ่ซนโตรโรซา <laughs> มันอยู่จากเบเลียใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ใกล้ซันฟานนะคะซนฟานโอเคไปทางไหนซันโตรโรซาไปทางทางเหนือของซันฟานนะคะแถ้าไปแล<ป>้วเขาเรียกมาเลนทาตี้ค่ะขึ้นไปทางไหนใช่ค่ะเอออยู่ซโนมาค่ะซโนมา คุณหมออยู่ที่สันฟานนั่แะค่ะอยู่ CSF พิเศษหน่อยค่ะหลวงพปฏิบัติต่อไปนะค่ะจะตั้งใจค่ะกับราชารค่ะในที่คุณตายพัทยาเจอคุณตายน้องก่าจ้ะค่ะอาจารย์วันนี้เข้ามาบวยสุดเลยไม่มีอะไรเข้ามาก่าอาจารย์จ้ะยังดียังอุตส่าห์เข้ามาได้อยู่ ยังมีความพยายามอยู่ความพยายามที่ไหนความสำเร็จอย่างนี้นั่นนะคะอาจารย์เดี๋ยวอาทิตย์นี้ไม่ได้ไปฟังธรรมนะคะโยมจะไปทอดกรถิ่นที่เชียงใหม่ค่ะอาจาราย์เอาเลยเลยโดดเรียนอาจาร <c oughs> าย์ค่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยก็อย่างน้อยเมื่อไปเที่ยวก็แล้วกันไปทอดกระถินก็ยางถือว่าไปทําบุญอยู่อันนี้ก็เข้ามากราบค่ะอาจารย์โอเคเดี๋ยสาธุสาธุค่ะ อ่าทีนี้ไปที่คุณลาได้แล้วมั่งคนหลามีคําถามมีคําถามแบบนรมาสการ์ครับอาจารย์มีทั้งหมดหกคาถามเจ้าค่ะคําถามแรกจากคุณวันธนาฝากให้คนใส่บาตรให้ผู้ฝากได้บุญไหมคะขอบพระคุณค่ะอ่าก็ผู้ฝากเป็นเจ้าของเงินไม่ใช่แหละคนที่เป็นเจ้าของเงินไ่ได้บุญคนที่รับฝากก็เพียงแต่ได้ได้บุญอีกชนิดหนึ่งแ ต, แต่ไม่ใช่เป็นแต่ไม่ใช่เป็นฐาน เป็นบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือนัรับใช้ผู้คนรบุญคนละชนิดกันมีสองคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคำถามที่หนึ่งสำหรับนักภาวนาที่สามารถกำหนดตัวรู้ให้นิ่งอยู่ได้ในขณะที่นั่งสมาธิสามารถกำหนดที่ตัวรู้ได้เลยโดยไม่บริกรรมพุทโธหรือดูลมและเวลาเดินจงกรม กำหนดที่ตัวรู้เลยโดยไม่ได้กำหนดที่เท้าทั้งสองข้างที่เดินอยู่การปฏิบัติเช่นนี้ทำถูกต้องไหมครับมันก็ยังไม่ถ้ามันยังไม่ลวกมันก็ยังไม่ถูกต้องเพราะว่าบางทีการรู้เฉยๆแค่นี้มันยังไม่กำลังไม่พอที่จะทำให้จิตให้ลวกได้ดังนั้นางทีต้องอาศาัยการดูลมหายใจหรือการบริกรรมพุโทโธมาทั้งเรื่งจิตให้เข้าไปเรื่อปงปริวานี้ได้ มุมทที่สองจิตผมมีการถามคำถามและตอบคำถามขึ้นมาเองในระหว่างที่ทำสมาธิผมนำคำตอบนั้นมาลองปฏิบัติพบว่าจิตสงบได้เร็วก้าวหน้าขึ้นครับจึงอยากสอบถามว่าการที่จิตถามและตอบคำถามขึ้นมาเองในระหว่างการทำสมาธิเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงใช่ไหมครับผมคิดว่าผมไม่ได้ถามและไม่ได้ตอบ แต่ทำไมเหตุการณ์จึงเกิดขึ้นได้ขอพระอาจารย์เมตตาช่วยชี้แนะครับมันก็เป็นเรื่องของสังาขารความคิดตกแต่งะมันก็คิดได้ตลอดเวลาถ้าเราไม่มีสติก็คุมมันะถ้าเรามีสติมันก็จะคิดไม่ได้คำถามต่อไปจากคุณบอยกราบเรียนถามครับว่าวิญญาณเดินทะลุกำแพงได้ไหมครับ วิญญาณมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในโลกนี้นะมันมันจะเรียว่ามานทะลุกําแพงได้ยหรอไม่มันก็มันก็เป็นไปไม่ได้นะเพราะวิญญาณจิตวิญญาณนี่มันมันอยู่อีกโลกมันอยู่ในโลกที่อีกหลาโลกกันคำถามต่อไปจากคุณวันธนาเรียนถามค่ะ บุคคลธรรมดาถือศีลสามารถบรรลุธรรมได้หรือไม่คะขอบคุณคะ่ะก็ได้ค่ะได้แต่ขั้นศีล น, นะแต่ขั้นสมาธิขั้นปัญญายัางไม่ไดนะ้ต้องปฏิบัติถยงจะได้รักษาศีลก็ได้แค่ขั้นศีลคำถามสุดท้ายจากคุณวาสนาน้อมกราบขอโอกาสครับได้ฟังคําสอนในตอนต้นว่าการมองเห็นโทษของกิเลส โทษของโลกของการมาราคะของการเกิดของร่างกายก็เหมือนมองเห็นขวดยาพิษก็ไม่คิดจะหยิบมากินแบบนี้จึงจะมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติแก้ไขตนให้พ้นทุกข์ถ้ายังไม่เห็นว่าเป็นโทษก็จะยังยินดีในโลกอยู่ก็จะไม่ปฏิบัติแบบจริงจังกระผมเข้าใจถูกต้องไหมครับขอพระอาจารย์ช่วยชี้ทางด้วยครับ ก็ดูที่ตัวเราเองแล้วเราปฏิบัติจริงจังหรือเปล่าแล้วรู้เฉยๆแต่ไม่ปฏิบัติก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้ารู้ว่าเปนโทษแล้วเราก็ต้องปฏิบัติจริงๆถ้าเรายังไม่ปฏิบัติจริงจังก็ยังแสดงว่ายังไม่เห็นโทษจริงๆยังไม่เห็นจริงๆแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องปฏิบัติทันทีหมแล้วใช่ไมทั้งท่าหมดแล้วเจ okay. ้าค่ะคุณนั่นนันทเน น, นทะเล เจสันมีคําถามไหมบ่ากลับนมัส ก, การเจ้าข้าหลวงพ่อเข้ามากลับหลวงพ่อเข้ามาทำธรรมเจ้าค่ะโอเคคนสุดท้ายพอดีนแสดงว่าวันนี้ทุกคนได้พูดได้คุยกันหมดแล้วนะก็เอาแค่นี้ก่อนตลอดวันนี้พราะามันก็ใกล้จะหมดพอดีก็ขอให้ท่านจงนํำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฝึกไปพิิจพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ